อาจารินพรท่านสาธุชนพุทธทบริสันผู้ฝ่ทยธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกขั้งหนึ่งเพื่อสนทนาธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องทานเสียงภาวนาท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะเข้ามาสนทน า, ท า, นออทานรามตอบคำถามก็เชิญเข้ามาได้ท่าน วันนี้ไปที่ท่านแรกก่อนเลยก็คือคุณหมอพี่เชษจากกอธรรใช่คุณหมอกรรมนวัตการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายคำพูดที่ว่าชีวิตคนเรามีแต่าการดิ้นรนครับพระอาจารย์ก็มันก็ไดินน้นรนนะออกมาจากเท้าแม่ก็ต้องดินน้นรนเพื่อการอยู่รอดนะถึงแรกก็ต้องคายใจก่อนนะ เป็นหมอคงจะสร้ า, าแแงแพลนะเดกออกมานี้ต้องลองใช่ไหมเพราะว่าอัน ท, ที่อย่ในท้องแม่ไม่ต้องดิ้นหรอกไม่ต้องทําอะไรทุก อ, อย่างผ่านทางสายสายของแม่อาหารน้ําอะไรอากาศมันอยู่แม่ไป็นผูจัดการให้หมดแต่พอจากท้อแม่ต้องเพิ่งตัวเองแล้วนะต้องหายใจ ตอนต้นเด็กออมาที่หายใจไม่เป็นก็ต้องมีการกระตุ้นเนีนั่นแหละดิน้นรนข้างหน้าก็ดิน้นราหาลมก่อนะหายลมแล้วก็ตายอันต่อรปก็ดิน้นรนหานอาหารกับ น, ก น, น้ำดื่มแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเจ็บไข้เนี่ปวดท้องก็ต้องก็ต้ดินรนถ่ายปัสสาวะขับถ่ายแล้วก็ ต้องมีการเล่นรอนต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บอีกเวลามีไม่สบายขึ้นมาก็ต้องเรียหรอหายาหาหมอนี่มันเป็นการดิ่นาน ต, ตลาดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่ได้เร้ยอยู่เฉยๆมันตอน้องได้อยู่ในคันไม่ได้มันเป็นเรื่องของข้เรียกว่าเรื่องของความอยู่รอด ตอนนทกวันอย่างน้ยเขาต้ดินเดินดินหอนหาปัจจัยสี่มาเนี้ยงปากเลี้ยงท้องก่อนต้องมีปัจจัยสี่แล้วพอมีปัจจัยสี่แล้วก็เดินรลอนหาตามกิเรห น, น่อยตันธุารรมหาเดินหลอนตามหาหาปัจจัยพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดของร่างกายแต่พอมันอยู่รอดแล้วมันไม่สุขมันไม่พอมันอยากจะหาความสุขเพิ่มก็เลยต้องเดินหลอนหาราบยศเสริษ ความสุขทางตามันจะบวมยืดกายแล้วของพวกนี้หามาได้แป๊บมันไม่ใช่ว่ามันจะพอมันจะหมดมันก็จะไม่ต้องไปหาใหม่หามาได้แป๊บเดี๋ยวก็หมดนะ เ, เ, เดี๋ยวต้องไปหาใหม่ตคอยหามาเพื่มมาเติมมเเรื่อยแต่แม้ว่าไม่หมดได้มาก็ไม่พอได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ต้องดินหาอยู่ ก็ดูมหาเศรษฐีนั่นลำเลงของประเทศไทยหยุดทำงานได้ไมไม่ได้หรอกเราต้องดินต่อไปหามันแล้วทีก็ต้องรักษาเล้สิก็ต้องดิน้นอนกับการดูแลรักษารักษาผลประโยชน์ได้น่ๆที่มีอยู่เนี่ยนงะานทางโลกทําระโยชน์บรรก็ไม่มีวันจบแต่การรมนี่ถ้าปฏิบัติแล้วมันมีวันจบเพราจิต ได้พบกับความสงบได้พบกับความเลีงไม่ต้องทำไรายได้แนละ้วมันก็จบมันหยุดมันหยุดดิ้นได้แนละ้วถ้าท่าทําทาให้จิตหยุดนั่งหยุดดิ้ น, นแล้วก็ถ้าร่างกายอยากจะปล่อยมันเมื่อไหร่ก็ปล่อย ไ, ได้ถ้ามัน ม, มันจะไม่อยู่ก็ปล่อยไปได้ไม่ต้องดิ้นไปให้มันอยู่รอดแต่ถ้ายัางเลีงดูมันได้ก็เลี้งมันไปเพื่อเอามาใช้ประโยชน์สําหรับคนเองสําหรับผู้ที่ ไม่มีการดิน้นรนแล้วก็ก็ไม่ได้ดิน้นรนแมก้กระทั่ ง, งร่างกายถึงไม้จะดูแลมันก็ไม่ได้ดูแลแบบดิน้นรนดูแลตามนี้ตามเกิดแล้วก็ไมปวินนบะมีอะไรมากกินก็กินไปที่ว่าสัยถ้าไม่มีอยู่ก็อยู่ตามคนไม้ก็ได้ตามเรือนน้าก็ได้จีวรผ้าก็เนี่ยสมัยก่อนก็ไปเก็บผ้าออดศพมา ตามมีตามเกิดแต่รับเล้งดูร่างกายอยารักษาโรค ก, ก็ใช้ยาสมุนไพร ย, ยาดองน้ามูดรักษาหายก็หายไม่หายก็ตายก็จบสำหรับผู้ที่สาเร็จติดทางศาสนาแล้วก็ไม่ไดหลนรนแต่ก็อยู่ไปถ้ายัางดูดูแลรักษาร่างกายได้เอามาใช้ประโยชน์ให้กับโลกได้เราทไปพเจ้าดูแล ร่างกายถึงสี่้าปีด้วยกันเราจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแสดงธรรมบดสัจแสดงทรรมเวลาสี่ห้ารอบน้ำสี่รอบทุกวันจะมีผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติบรรลุมุดพ้นจากความทุกข์เป็นจันวนมากเป็นพระสาวกที่มาทำหน้าที่ต่อในอเรื่องของชีวิตของเราไม่แค่นี้ลนะ่ะ ถ้าไม่มีศาสนาก็จะดิ้นหลอนหาเพื่อการอยู่รอดพออยู่รอดแล้วก็ดิ้นหลนหาลาบลเสร็จแล้วเสร็จสุขไปจนการไม่ได้ก็ดิ้นฆ่าตัวตายบางคนก็ดิ้นด้วยฆ่าตัวตายหนีความทุกข์หรือความสุขเศร้เาเพราะเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยชราไม่สามารถหาความสุขจากราบลดเสร็จแลเสร็จสุดได้ก็ไม่รู้จะอยู่ไปได้ไรก็ดิ้นหนีดิ้นที่ความทุกข์ด้การฆ่าตัวตาย แล้วก็ไปวันนี้จากภพนี้ไเนี้ยก็ไปเกิดภพใหม่ไปดิ้นหาหน้าน้นสนับสนุนสูงใหม่ก็มีเท่านี้เรื่องของของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิบัติกระทั่งทำให้จิตมันนิ่งจิตมันสงบจิตมันไม่เด่นแล้วก็มันก็ต้องดิ้นไปเรื่อย ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าใครโชคดีได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นดีมากเป็นเป็นโชคลาภมันยิ่งใหญ่ที่ทำให้รู้จักว่าควรจะทำอะไรให้กับกับจิตใจของตนเพื่อความสุขที่ถาวรเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทุ้ข์วงเราต้องศึกษาปฏิบัติมากแปดเนี่ยที่พระเจ้าทรงสอน ทางสู่การบุดพ้นทางา ส, สือความสงบความสู่คาพสุขที่ถาวรวอนจะเข้าใจใยังเข้าใจแล้วครับก็เดินดูเป็นเศรษฐียังดิ้นเลยใช่ไหมเป็นเป็นนายก <c oughs> อะไรยังดิ้นอยู่ไหมเนี่นยเดี๋ยวดิ้นไปหาเลือกตั่งใหม่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนประเทศไหนเหมือนกันวอนดิ้นกันดิ้นกัน หาลาบยศสุรสอนสมหาได้เท่าไหร่มันก็นมันก็อยู่ช่วคราวโดยอถ้าอยู่นานก็เบื่อก็ก็อยากจะได้เพิ่มได้เพิ่มได้เท่านี้ไม่พอได้ร้อย้าทไม่พอน อ, อาพัน้านหรือน้านเน่ยก็ยัเงเล่นอยู่นะไม่รู้จังเลยมาทําะไรแต่มันอยู่เฉยๆไม่ได้ใช่นหะตัวที่ ตัวที่ทำให้จิตวิ่งก็คือกิเลสตัณหา oh. การมาตนาะภาวะตัณหาวินนา่งภาวะตัณหาในสามตัวนี้ตัวร้ายกาต้องใช้การปฏิบัติมรรคแปดทงสีภาวนาหรือ ส, สีสมาธิปัญญาเป็นตัวที่จะสามารถสกัดหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ทาให้ใจไม่ต้องวิ่งนหน่งต่อไป พอใจอยู่ที่เฉยก็มีความสุขมันมีความสุขก็ไม่ได้หาอะไรทำไมให้ห่อบเบาแล้วสิ่งที่หามาได้ก็สู่ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ตอนที่ต้องดิ้นหน่อยดินหาความสงบมันยังดิ้นอยู่ตัวดิ้นดิ้นหามากเมื่อมาหยุดตัวดิ้นหาสีหาสมาธิหาปัญญามามาหยุดตัวทุกคนทั้งนีเจ็บดิ้น มัยตัวาการม า, าร์ตนาบวาตนาวิบวาณัตนาได้รับประจกมุสีตามบระรจาริยัยงจิตในประจารเส้นสุดหนึ่งแล้วจิตอื่นที่ที่ต้องทำไม่มีอแล้วจิตไม่ได้หาอะไรแนละ้วจิตอยู่เฉย อ, อย่างไม่ข่าวสั่งอันนี้คือพวกเราชาวพุทธเราชอบดีแต่บางคนเป็นพุทธแต่เชื่อ กลับมามสิ่งดีมาสั้นเรื่องโลกก็ไม่สนใจเหมือนไก่ได้พลอยรจักนิทานไก่ได้พลอยไงไก่มันก็หากินวองมันก็คอยหาตัวนอนตัวใช้เดือนดกยไปในดินพอไปเจอเพชรพลอยก็เกลื่เส้นเกียดอนเท่งเพราะมันกินไม่ได้มันไม่รู้คุณค่าของเพชรพลอยคนที่ไม่มีบัญญาก็เหมือนกั น, นก็ ขุดคุ้ยหาแต่ลาบลดสารเสพิด น, นะที่จะให้ไปขุดคุย้ยหาเพชรหาพลนี่ไม่รู้จะหาไปทําไมกินไม่ได้ไปหาธรรมะทํ า, มาทไมหาไม่ได้เอามาต้ององับอายขายหน้าจะซ้าไปต้องไปเป็นขอทานตบองไปบวชไปอยู่แบบขอทานเพราะเราไม่มีกายากจะเข้าหาธรรมะนะต้อกจากคนที่มีปัญญา คนได้ศึกษารู้สถานภาพของตนเองมากเป็นอย่างไรว่ามีปัญหาก็คือตกอยู่ในภาวะของความทุกข์แล้วก็อยากจะพ้นทุกข์นะับเพียงแค่มีการควนขว้ายศึกษาปฏิบัติธรรมหนึง่งส่วนใหญ่ชาวพุทธเราเก้าสิ้าเปเซ็นต์นี้เป็นพวกไก่ได้ลอย พวกที่ปฏิบัติจริงๆมีแม้แต่เซนในก็บ้าเลยเลยุงนที่เอาแบบเอาแกนๆจริงๆเอาแบบศีลสมาธิปัญญาแม้แต่นั่บวชมาก็ไม่เอาศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ศีลอย่างเดียวสมาธิปัญญาไม่ปฏิบัติเอาพวกเขาไปศึกษาบาลีไปศึกษาธรรมะปฏายปิฎกแต่ไม่ปฏิบัตินะ หลักฐ า, าเจบก็ไปบวชแล้วก็ไปก็ไปสอนเป็นอา จ, จารย์สอนต่ออีกพวกก็ไปเน้นการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเรี่องลายเงินทองมาสร้างบวชสร้างเจนีย์ส้างอะไรต่างๆอีกพวกก็แถวนี้ก็มีน่ยมเป็นทำมาทูตไปเผยแผ่ทำไม่รู้ทำอะไรไปเผยแผ่ไม่รู้ะ ตัวยังไม่มีธรรม่าเอาไปทำไปเผยแผ่ได้เลยทำที่ดีก็ยังเป็นธรรมไม่ใช่ธรรมแท้เป็นธรรมที่ได้จากความจดจําได้จากการอ่านมา ย, ยังเามาฆ่ากิเลสไม่ได้เนี่อาตนะพูดเป็นอย่างเนี้ยที่จะเป็นตัวแก่นจริงนในสมาพุตธการนี้ไม่รู้เปถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าบ้างหาผ่านที่แบบหลวงปูม่มั่นของปู สาวหนุ่มต า, าหาบัวหาได้มากมากกี่องในประเทศไทยอันนั้นเน่ยเป็นพูดแท้ต้องพูดแบบนั้นแล้วนั้นก็เป็นพูดอะไรกันบ้างพูดแต่ละแนวกันมันมีหลายหลากหลายแนวพูดก่อสร้างพูดเรียนหนังสือพูดพู ด, พดประกอบพิธีกรรม พูดสวด颂พูดทำอะไรต่างเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มมอไปหมดอันนี้พูดมากเดี๋ยวเกียบตัวนยพูดให้หางพอญาโยม่าคงจะรู้แล้วญาโยมก็คงมีหูมีตาเหมือนกันเห็นไหมพูดที่ศึกษาทำแล้วทำไม ธรรมะธรรมสามทุกเจ้าก็มีอยูม า, ากแปดก็สอนอย่างทุนดวงเขวัดก็มีอยู่กรรมฐานก็มีอยู่สี่สิบแต่ทําไมก็ไม่ออกมานี่ยนะมีอะไรไหมคุัหมอไม่ได้ครับกลับขอบพระคุณพระ อ, อาจารย์ครับโอเคคุณสาธตกาเงินเป็นยังไงบ้าง ก็ปฏิบัติทุกวันค่ะทานสิ่ภาวนาค่ะอาจารย์<ะ>ก็ดีค่ะปล่อยวางทุกอย่างนะของรอบกายต้องปล่อยให้ได้ก่อนนะของรอบ ก, กาย อ, อ๋อลูกว่าลูกปล่อยได้ได้ได้อันนั้นนะคะพ่อกับแม่<ะ>อันนั้นลูกคิดว่าไม่น่ามีปัญหาปล่อยแต่ไม่ปล่อยแต่มีความรับผิดชอบในทุกๆด้านอย่างเต็มดูแลรักษาก็ดูแลไป สัมลูกลูกลูกแทนไว้หมดแต่ลูกไม่ได้ว่าจะแบบต้องแบบมีเยอะอะไรอย่างนั้นไม่ใช่พวกเอาแค่แบบธรรมดาของลูกอะค่ะพออยู่พอคิดไบใช่ใช่แล้วก็ที่อาจารย์สอนมันก็ตรงคอนเซ็ปต์ลูกเพราะว่าลูกไม่ไม่ได้คิดว่าลูกจะต้องมีเยอะแล้วก็ที่ทำร้านอยู่นี่ก็คือเอาแบบคือเราเห็นคนที่เขาลำบาก กับอาจารย์ลูกเอาแบบน้อยมากสองคนกับแฟนนะคะพออยู่พอกินไปใช่ะะใช่มีเหลือก็ไปทาําบุญใช่สงังฆบูชที่เขาอย่างเด่นดัาอยู่ใช่ค่ะลูกจะเป็นแนวอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าเราทํางานตรงนั้นเราเห็นคนที่เขาจนๆเขาลําบากกับพระอาจารย์ใช่แต่ก็อย่า ไ, ไปยึดไปติดมันต้องรู้ว่าวัาวนใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดนาจากกัน ใช่เพราะว่าลูกก็แพนไว้ว่าเอออย่างอย่างแฟนนะพอล้าออกมาปุ๊บ ก, ก็เราก็แพนกันว่าประมาณสักสิบปีเนี่ยเราก็คงจะปิดก็คือเรา ก, ก็ก็คงไม่เอาอะไรอ่ะค่ะเพราะว่าเอาช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้ไปภาวนานดีกว่าไปอาที่ภาวนานดีกว่าเพราะว่าแฟนเขาก็คือเขาก็บอกว่าเขาเขาก็มีลิมิตของเขาไว้เขาก็เพิ่งสี่สิบกว่า เราก็เลยว่าอีกสิบก็คือเขาก็นี้แต่ลูกคือพอเขาเขาออกมาเนี้ยลูกก็อยู่แต่ข้างในอะค่ะพระอาจารย์ก็ภาวนาก็พอเสร็จก็ดูแลพ่อพอเสร็จก็กลับมาก็ภาวนาก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะเพราะพระอาจารย์ไม่ค่อยได้ไปไหนอ่าอย่าไปแลยไปก็ทำนั้นนะไปตะกรุดเงาแล้วไหมลูกลูกไม่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอยู่แล้วค่ะ แต่แฟนนะเขาก็คือเขาก็าก็บอกว่าคือเขาก็บอกว่าถ้าถ้าหากว่าเราอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยคือเราแทบไม่ได้ไปไหนเลยนะลูก <ไป S 2> กไไ็ไปทไมไปทําไมแต่อันนี้ยลูกก็คือเขาว่าชอบดูบอนลูกก็เลยตอนแรกที่ก่อนก่อนที่ลูกจะไพภาวนาว่าจ้าลูกก็ยังมีปัญหาเพราะว่าเขาไต้องเอาลูกไปด้วยเขาอยู่กันสองคนพอ mm hmm. ลูกก็เริ่มเริ่มพอเขาอันนี้ลูกก็พอเริ่มภาวนาลูกก็เริ่มดแบบับใข้เขาไปเองคนเดียวแล้วลูกก็อยู่บ้านแล้วก็เริ่มเริ่มแบบอย่างเงี้ยโอเคอ่าพระอาจารย์นะก็ปัดันใช่<จ>ต้องพิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะวันใดวันใดวันห น, นึ่งก็อาจจะสูญเสียสิ่งต่างไปได้ต้องไม่ลุกขึ้ขมันค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเจำแนกกระัดที่ เป็นยังไง Invisible Man กล่าวนะมาสิกันผ่าใจครับก็สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ทุกวันเป็นประจำครับสวดกี่รอบสวดสวดอีพิสองห้าสิบรอบแล้วก็ลมหายใจพร้อมเป็นร้อยครับเดนั่งดูลมหายใจเป็นร้อยข้าวเลยครับแล้วเป็นไงรู้สึกสบายไหมสบายครับ รู้สึกสงบไหมสงบค่ะอยากจะทำเพิ่มไหมก็อาจจะครับอาจจะยังไม่สงบจริงนะถ้าสงบจริงก็อยากจะสงบให้นานๆ <c oughs> นานเวลาท่างเวลาส่วนนี่เวลาดูลมนี้อยากไปคิดเรื่องอะไนนะให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับเรื่องส่วนเวลาดูลมก็อยู่กับเรื่องลมอย่างเดียว อย่าไปดูลงไปแล้วก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงเกมคิดถึงอะไรนะพท่าทางๆเราดูลองแล้วไปคิดถึงเรื่องนั้นเรืนี้ก็ถือว่ามไม่มีสติาไม่มีสตินั่งไปก็ไม่ไม่สงบครับครับลองลองทำดูนะอย่าอย่าให้ใจไปที่อื่นให้ใจอยู่กับการสวดมนต์ให้อยู่กับการดูลมไป วันนี้มีคำถามอะไรไหมเปล่ามีค่ะหนูมีคำถามค่ะเราว่ามาเลยเวลาที่เราพิจรารณาอ่ผมผลเล็บฟันฟันหนังนะคะพระอาจารย์เราพิจรารณาดูว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลมันเป็นอนิจจังนะคะแล้วเราไล่ดูเพื่อคือที่สุดแล้วมันเห็นว่ามันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นนะคะ่ะในอวัยวะใหญ่น้อยเหล่านั้นนะคะเราดูแบบนี้ได้ไหมคะก็ได้ คือมันมีหลายหลายมิติที่เราต้องการดูดูเป็นเรื่องๆไปถ้าดูไม่สวยไม่งามก็ดูเรื่องไม่สวยไม่งามไปก่อนอย่าเอาเรื่องอื่มาปานกันนะพอเราเห็นว่าไม่สวยไม่งามแล้วที่อยากจะรู้ว่ามันตัวเราอยู่ไหนๆ น, นั้นนั้นเราว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราอยู่ตรงไหนอันนั้นก็ต้องค้นหาดูอันนี้ก็ไปการพิจนารณาดูว่ามีตัวตนในร่างกายบรือ แยกชิ้นส่วนเอาผมออกมากองเอาเล็บออกามากองแยกเป็นกองๆองไปผมเป็นเล้าเปล่าเล็บเป็นเล้าเปล่าฟันเป็นเล้าเปล่าเนื้อหนังเป็นเล้าเปล่าแหละออกมาเป็นชิ้นส่วนเหมือนกับพ่อค้าหมูที่ขายในตลาดนี่ยก็ชำแหละตัวหมูออมาเป็นชิ้นชิ้นส่วนแล้วก็มาแผนขายขายตับขายลาไส้ขายอะไรเราก็ต้องชาแหละร่างกายแบบพ่อค้าหมู แล้วก็ดูถามด้วงว่าตรงไหนเป็นตัวเรามากมันก็จะเห็นไม่มีใช่ไหมหรือว่าเราเป็นอะไรเราเป็นตับเรือเราเป็นไตหรือเเป็นหัวใจหัวใจกับใจนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะหัวใจนี้เป็นเป็นเป็นอวัยวะที่สูดเลือดแต่ใจนี้เป็นทุ่นรุดทุกข์ขี้นี่เป็นนามธรรมวันละ่านกันเข้าใจอย่าไปคิดว่าเป็นอันเดียวกันนะ แล้วก็จะว่ามันมาจากอะไรมันมันมันมาจากดินน้ำลงไฟใช่ไหมในเวลามันมันตายย่อยสลายไปมันกลับไปไหนมันก็ไปกลับไปสู่ดินน้ำลงไฟใช่ไหมถ้ามันดูอย่างนี้อะไ้เห็นว่ามันมีโทตนรู้สึกเหมือนถูกขังคุกอยู่ในคุกเนี่ย แล้วพระอาจารย์มาชี้ประตูให้ว่าไปทางนี้นะเดี๋ยวออกได้อย่างี้อหรือว่าไม่ใช่ตัวเราของเราคือเหรียญมันร้อนเราคิดว่ามีตัวเราของเราต้องรัต้องรักษาต้องเครียด ก, กับมันต้องทุกข์กับมันอ่าเราไม่ต้องไปรักษามันถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้ามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราเป็นผู้รู้ผู้ดูก็ดูไปเฉยๆดูด้วยมุมเบงกา ถ้ไม่มีใบขาก็ดูเฉยๆไม่ได้มันก็จะดินเวลาเจ็บ ก, ก็ดินนี้เวลาจะตายก็ดินดีแต่ก็ห น, นีไม่ได้เดินแล้วก็ทุกเครียดทรมานใจท่านดูเฉยๆไม่ดินก็ไม่ทรมานเรีต้องสุนใจให้รู้จักดูเฉยๆให้มันเน่งเฉยๆฝึกสมาธิฝึกสติเยอะๆมันจะได้นิ่ง ไม่มีสมโอเบขาถ้ามีโอเบคาแล้วที่นี้ก็ดูดูร่างกายแบบปล่อยวางได้ออมันจะตายก็ตายไปม็จเจ็บก็เจ็บไปเไนเะข้าใจยังเข้าใจแล้วโอเคหมดนล้วใช่ไหมหมดแนละ้วครับโอคไปคุณที่หมอขอบคุณคุณอาจารย์ขอบคุณหมอนติ น, น, นดาต่อ นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือช่วงนี้โยมก็รู้สึกว่าการปฏิบัติในชีวิตโยมรู้สึกว่ามันสมูทมากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จากที่พระอาจารย์เอ่อได้แนะนําว่าคือให้ปฏิบัติเอเก็บช่วงที่ว่างอะไรในช่วงระหว่างวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แลก็คือรู้สึกว่าเอตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าเรามีช่วงที่ว่างเออ่แบบไม่ไม่ไม่ได้ต้อง ไม่ได้ต้องสใช้ความคิดนะเจ้าค่ะแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าดึงเข้าสู่ความสงบได้ได้มากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารยด์ดีกว่าไปกินขนมดีกว่าไปรู้อะไรฟังอะไรเอาเวลามาทำใจให้นิ่งให้สบงบหยุดคิดดีกว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็คือเดิมเดิมโยมก็เหมือนแบบนั่งนั่งไปทุกที่ที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนโยมทํางานหลายที่แล้วก็ ก็เลยเหมือนภาพแวดล้อมมันก็อาจจะมีผลต่อยมน้อยลงนะจ๊ะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราก็เหมือนกับชินไปในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าในการปฏิบัติในชีวิตที่บางทีเราอาจจะไม่สามารถนั่งนั่งปฏิบัติได้แต่ว่ามันก็เหมือนดึงให้ให้อยู่กับความสงบเจ้าค่ะพระอาจารย์พยายามรักษาอุเบกขาไว้ให้มากที่สุดเทีมาได้ เจ้าขาพระอาจารย์แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยเดือดร้อนว่าจะได้นั่งปฏิบัติจริงๆมากหรือ น, น้อยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์มันก็เหมือนกับว่าสมูทไปกับชีวิตประจําวันมากขึ้นเจ้าขาเจ้าขาแล้วเจ้าขาพระอาจารย์แล้วก็แต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยเจ้าขาโยมไม่แน่ใจว่าคือแบบเหมือนโยมควรจะเอาจิตมาอยู่กับร่างกายให้มากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับบางทีมันก็อยู่กับ ภายในหรือว่าจริงๆมันก็แบบไปคู่กันได้อย่างงี้ใชาคะพระเจ้าคือเราก็ต้องการให้มันหยุดคิดนะแม่คิดอะไรนอกจากเรื่องที่จะเป็นต้องคิดนะแม่คิด poetry, เพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดอดีตคิดอน า, าคตอะไรนะแต่คิดและเกิดความอยากเกิดความรลายขึ้นมาต้องการให้ให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับร่างกายก็ได้ เรารู้อยู่กับบทสวดมนต์เรารูอยู่กับพุทโธแล้วสุดท้ายแต่จะถนัดจะชอบอันนี้เอาเอาใจให้มันนิ่งให้มันมีที่ผูกผูกไว้กับร่างกายผูกไว้กับพุทโธอันนี้ใช่ไหมจ๊ะแต่อย่างถ้าเรารู้สึกว่าภายในมันสงบก็อยู่กับความสงบตรงนั้นไปได้ไงใช่ไห ม, ไมจา๊ะถ้ามันสงบมันไม่ใช่อะไรก็ไม่ก็ ก, ก, ก็ก็รู้เฉย คลายเ้าดูว่ามันจะคิดหรือเปล่าบม่คิดแค่อยู่มั น, น, ยมนอย่าปล่อยมีคิดคอันนี้ฝึกฝึกฝึกการหยุดคิดให้ได้ก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ถ้านั่งเฉยๆหลับตาได้ก็หลับเพราะมันจะได้สงบลึกเข้าไปกว่านั้นตอนนี้ถ้ามันงสงบแบบเดินตายอยู่มันยังไม่สงบเต็มที่งสงบแบบหลับตาเจ้าค่ะ กก็ให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันเฉยแล้วมาทดสาบดูว่าเวลาสัมผัสกับสิ่งต่างๆรอบตัวใจเฉยหรือไม่เฉยมีปฏิกิริยามีมีอารมณ์กับสิ่งที่เราสัมผัสหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเรายังไม่เฉยพอต้องเฉยกับสิ่งรอบรอบรอบตัวเรา รูปเสียงกิจร้อนรุ่นคนต่างๆสถานการณ์ต่างๆเวลามันเกิดขึ้นเราก็เฉยๆไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีจิตกับเพื่อไม่ค่อยมีอารมณ์นะเจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่าก็ดีก็ดีดีมากเจ้าค่ะดีมันยังมันยังมันยังอาจจะไม่ได้เจอกับกระทบกับของที่มันรุญแรงก็ได้มันมีน้ำหนักต่างกันมีการ บางอย่างมันอาจจะเบาหนักไม่เท่ากันในชีวิตประจำวันแบบเป็นปกติบปงท่านอาจจะเป็นแบบแบบสบายสบายแต่ท่านไปเจอเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยท่านต้องทดสอยู่ก็ต้องตรวจตารือว่าเราตามน้าที่จะเฉยได้กับมันหรือกับกับเหตุการณ์อย่างหนึ่งหรือไม่จังหว อันนี้เราก็บางทีอาจจะต้องจาลองนั่นคือเหตุ ก, การณ์ที่เราและอาจจะต้องเจอแล้วถามโดยว่าถ้าจอเหตุการณ์ อ, อ, อ, กกรอันนี้เราทําใจได้ไหมอะไรเจ้าค่ะมันลองทดสอบทํากันบ้านก่อนอใช่ไหมคะค่ะถูกไล่ออกจากงานทําใจได้เปล่าเจ้าค่ะก่ะมียื่นหมอตอนนี้ต้องให้ออกจากงาน เหตการณ์สูญเสียอะไรต่างๆที่เราไม่เคยคาดฝันมาก่อนมันก้าวหน้ไขึ้นได้เจ้าค่ะถ้าเราไม่จําลองเหตุการณ์เราจะไม่รู้เจ้าค่ะพอเราอยู่กับเหตุการณ์ที่มันความคาดที่เป็นปกติขึ้นมาเจ้าค่ะอาจารย์แต่สิ่งที่มันเป็นปกติถ้าเกิดไม่เป็นปกติกตขึ้นมาจะทำยังไงเจ้าค่ะถ้าเหตุการณ์มันพลิกหน้ามันเป็นน้ําำมึนไป ก็เคยมีน้งใช้อยู่ดีนะก็ไม่มีเคยมีไฟใช้เ่ยต้ามีถ่านเทียน อ, อาจจะต้องให้ปิดไฟประหยัดไฟเพราะไฟพลังงานมันค่าพลังงานมันแพงอะไรเงีจ้จาค่ะถ้ามันถึงเห็นอย่างนั้วเราจะทำยังไงอยู่กับมันได้เลยเดือดร้อนเลยเฉยๆแบบวค่ะพระอาจารย์ คนนี้เหตุการณ์ต่างๆเยะแยะที่เราไม่คิดเองค่ะเราเชื่อว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ทุกวันเหมือนกันตั้งแต่เกิดมามันก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อวันดีกันดีโควิดมันก็มาเยี่ยมเรานตอนที่โควิดก่อขึ้นเป็นไงเราเฉยเป็นปกติเป็นเหตุการเป็นเหตุการณ์ปกติหรือเปล่าเจะขัดอายารทำคิดอยู่เหการวันดีกันดีกับภาวะสงครามขึ้นมา เป็นยังไงเร่เ่กิดภายแรงขึ้นมานี่เกิดการขาดแทนปจัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเราเหมือนถ้าอย่างจำลองเหตุการณ์นเนี่ยถ้าถ้าบวกกับที่ยงเคยฟังพระอาจา์เท็จคือเหมือนแบบว่าอาจจะเริ่มที่แบบโลกกระทำแปดอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์โลกกรรม8แปดอาจจะจะเริ่ะ น้ำเงินเข้ามาอยู่เรื่ยวันนีกันนี้หมดไม่มีใครเข้าเลยมีแต่เอาอย่างเดียวนี่ยก็มีในเหตุการณ์โควิดเนี่ยบริษัทเจ๊งไปกันเยอะแยะคนที่ไกยมีรายได้ดีๆก็รายได้ก็หายวับไปหมดนะเป็นรายรายก็ต้องมาขายข้าวต้มเองก็ต้องเป็นหมอแล้วไปขายข้าวต้มมากเป็นไง แลก็แบบเหมือนออกจากนั้นก็คืออาจจะมาที่แบบกายเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะทางกายแล้วยื่วันนี้คือดีอาจจะมีมะเร็งตรงไหนทักจุดหนึ่งขึ้นมาเดีเ๋ยวที่เราจะทํำยังไงกับมันน่าจะได้ป่ะจาะค่ะจะเหมือนทดสอบเรื่องสักรรยาตทิฐิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะจแต่ทดสอบคาไม่แน่นอนของเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา เจ้าค่ะไม่มีอะไรแน่นอนเราพยใกล้เจ็บก็เกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เจ้าค่ ะ, าคะอาจจะสูญเสียคนที่ใกล้ตัวเราคนที่เรารักไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เจ้าค่ะนนี้มันต้องคิดให้รับก็ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาเจ้าค่ ะ, ะขออีกคำถามหนึ่งเจ้าะอาจารย์ว่าคือเอ่อตัวรู้แบบ ความคิดนี่มันไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋อตัวรู้มันเกิดอยู่ตลอดเวลาเราคิดมันก็เกิดหน้าไม่เกิดหน้าบางทีมันก็คิดบางทีก็หยุดคิดเนยอ๋อเจ้าค่ะแต่ตัวรู้นิ่งตาไม่เป็ตัวรู้มันก็ไม่รู้กำลับคิดอะไรอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วจ้าเพราะบางทีนั่งแล้วเหมือนกับเราก็เหมือนรู้อะไรมันก็มีค่ะตัวรู้มันคนคอนนั่งนั่งดูทุกอย่างแต่ครัตัวรู้เนี่บางทีมันก็ใจลอยมันก็ลอยไปกับ ดังนั้น e e ลอยกับอยู่ในเรื่องนี้มันไม <asking. S 1> ่ได้อยู่กับเรื่องเดียวมันต้องมาฝึกสติให้มันรู้อยู่กับเรื่องเดียวตัวรู้ตัวนี้มันอย่างใจลอยมันชอบลอยลอยไปกับอารมณ์ต่างอารมณ์นั้นมาก็ลอยไปกับมันอารมณ์นี้มาก็ลอยไปกับมันไม่นิมันไม่นิ่งแล้วก็ไปมีปฏิเจรากับอารมณ์ที่มันนับรู้ เป็น่าไปชันไปกลัวไปหลงเนแล้วไอ้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวที่มีเป็นปฏิกิริยาพอเราทําทให้มันนิ่งแบบมันการล็งําความงักชากลัวหลงได้มันบมีิลเบคา้าไตขึ้นมาได้ ท, ที่เตือนเตืนตนอกใจง่ายนี่ยพอไปใจแหารณ ข, ขึ้นมาตกใจกลัวขึ้นมาอตัวรู้เนี่ยเป็นตัวกลัวนะ เห็นอะไรชาว่าโลภอยากได้ขึ้นมารัดขึนมาเห็นอะไที่เกลียดชังขึ้นมาแต่ถ้ามาฝึกสติให้มันให้มันนิ่งให้มันเฉยมันก็จะระงับความรักชังกลัวลงได้มันก็จะรู้เฉยๆได้ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ดีใจไม่เสียใจกับภาวะต่ตางๆเจ้างขับพาดจันท วันนี้ก็มีทนเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณมากเจ้าค่ะโอเคอ่าคุณเกิดจะพูดแล้วแบบคุณเกิดปิดกล้องรยู่แล้วแบนี้ผมกดเรียกเลยครับมาแล้วการรัฐการพอดีเพิ่งเข้าบ้านกับพอดีฝนตกครับครับเอ่อที่ที่ที่ชนบีตกไหมครับอาจารย์อนนี้ยังไม่ตกที่บ้านยังไม่ตก เสองเม่น้เสียงมัตบ่สองแม่ยังแม่อ๋อก็ีกูเกนนีจตบเนีิจพยายามเป็นน่จตบครับก็วันนี้ไม่มีคำถามครับจะเมากราบและมมาสักการ์ติการขอรักษาการแข็งแรงครับโอเคสาธุสาธุครับคมออาจารย์พรพิไลเจริญเป็นไงคนป่วยอาการับนมาสักการค่ะคนป่วยอะค่ะก็อยู่โรงพยาบาลกับเบียนอนเป็นเพื่อน่ะ นนต้องรออยู่ห้าวันเลยเลยถึงจะทำการได้ค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ย้ายไปโรงพยาบาลรามาค่ะหมอเพราะไปอยู่ที่มีหมอโรกหัวใจของเราอยู่่ ด, ดีค่ะก็อีคุ้นแทนนะศึกษา ด, ดูแล้วจากหมอก็ไม่น่าจะมีมอะไรนะค่ะ แบบเลี้ยงสบายเี้ก็พอแบบแบบเจาะรูเข้าไปใช่ไหมเขาไม่ต้องผ่ใช่อช่เจาะแล้วก็โดนผักกาให้นะค่อยๆไหลออกมาใช่เพราะว่าเยอะมาเยอะใหญ่มีขนาดใหญ่ค่ะก็นิจจ์นะไม่มีอะไรแน่นอวันดีคืนดีมันก็มันก็ผอมขึ้นมาคิด่ปวดท้องธรรมดาแต่ที่ไหนก็ยังดีว่าว่าหาเจอนะคะก็หมดไปตั้งเจ็ดวันกว่าจะห้าทบ ก็นี่แหละไม่ให้ประมาณนะนาฬกาเป็นอย่างนี้แก่แก่เจ็บตายเตรียมซ้อมเหตุการณ์ไว้พอเกิดเการจะได้ไม่หวั่นไหวไม่วิตกไม่เดือดร้อนทุกคนในทั้งสี่คนเราก็สบายๆรับได้รัวได้ป่ยก็รับได้ป่วยก็รับได้ยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปก็ไปก็บายบายก็คนรับสภาพใช่ ใช่จะทําให้ดีที่สุดนะกายดูแลไปอฮ ะ, ะใจก็ูชิวๆสบายสมรรถดีละใจก็ต้องนิ่งสมอบได้ทําทำมาอบรนรักษาทั้งสองอย่างอย่าทางน่างกาก็ใช้ไปอย่าทําใจก็ต้องใช้ด้วย เ, เราก็ได้ศึกษากันมาถึงระดับหนึ่ง น, น, นะฮะผีพย า, าอาจารย์เนี่ยเป็นไกด์ไลน์เราก็ร <ๆ S 2> ู้สึกก็นิ่งดีนะคะ ปรับภูมิได้ก็นี่ีสบายมันมันเคื่องบวงบอกเห็นผลที่เราได้จากการปฏิบัติว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามอยากจะวุ่นกันได้คนที่ไม่เคยปฏิบัตินเลยต่อคงใหญ่ข้างบน่างคนต่างไม่ไม่ไม่ห่วงเกินเกินเลยค่ะทําให้ดีที่สุดฮะหมอดีที่สุดวิ่งเต้นดีที่สุดที่จะเข้าโรงพยาบาลรัดได้อะไร ก็ถูกหมอดูบ้างอะไรเงี้ยก็ก็กยอมแต่ก็ได้ไปไปที่ที่เราคิดว่าเหมาะมีหมอของเราอยู่ก็เด่ดนี้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องเสียหายเ ร, เรื่องปกติทาได้การดูแลร่างกายดูแลได้อยูเพแต่ว่ายาอย่าไปสร้างความเครียดให้กับใจในขณะที่ดูแลเหมือนเดีใช่ก็ก็แบ่งงานกันทำค่ะ ภาคกลางวันเราก็ดูแลภาคกลางคืนก็ลูกชายดูแลลูกไปดูแลสลับกันค่ะเบียร์เบียร์ไปฮะเบียร์ไปนอนด้วยเราจะได้แข็งแรงดูแลกันได้ค่ะถ้าอยู่ทั้งยี่สิบชั่วโมงดูแลต้องเราต้องพักผ่อนดูแลตัวเราด้วยสลับกันสลับกันได้ธรรมะได้ธรรมะไปอยู่ในใจก็รู้สึก สิ่เดมนะคะเพราะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเรารับสถานการณ์ต่างๆที่มาอย่างสบายๆทำน้ำฟ้ากระชาสบิ่นทำน้ำเป็นที่พึ่งของใจทำน้ำฟ้าน้ำกระชานหมิ่นมีทำน้ำรับใจไม่ทุกข์ไม่เดื่อยนอนค่ะใช่ค่ะก็พยายามทำไปนะ ทั้งเราทั้งเราเราดูแลกันไปด้วยความเมตตาหงใหญ่กันอย่าหุดกันด้วยโอเคนะค่ะกับอาจารย์พระาจย์ค่ะคุณพัฒละพง์เชิญ PhD ทงไหนเนี่ยการนวัตกรรมครับเป็น PhD ทาง political side ครับอาจารย์เวราอาจารย์ทง ทอะไรศาสตร์ทำอะไรรัฐศาสตร์ตรัฐศาสตร์ตอนนี้ทไหนอ๋อจริงๆตอนนี้รับราชาการอยู่ครับราชการอยู่ครับครับตอนนี้มีมีมคําถามครับก็คือว่าพอดีครั้งครั้งคือส่วนใหญ่เนี่ยคือเราปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่อคนนอกเนี่ยไม่ค่อยทําให้เราเนี่ยมีอารมณ์กระเพิ่มได้เท่าไหร่ก็คือเราก็ปล่อยวางไปแต่ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันมักจะมาจาก คนใกล้ตัวเรามากกว่าเราให้ความสำคัญกับเขามากกว่าคนอื่นเยี่ยแนวคามหวังของเราในตัวเขามากกว่าสมุติป่ะกับคนอื่นเราหวังให้เขาดีกับเราเข้าใจเราอะไรต่างๆนี่บาเวลาเขาก็เป็นคนที่มีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้บางทีเขาก็จะทําให้เราผิดหวังได้อย่างนี้หรือปะ่ะครับคือยายกตัวอย่างคืออันเนี้เป็นเคสของ แม่แม่ผมนะครับคือว่าแม่เนี่ยคือคือว่าพอเขาเขาไม่สบายเขาก็จะมีความน้อยใจมากแล้วก็เหมือนกับว่าอ่าเขาก็จะชอบแบบชอบคิดลบแล้วก็เหมือนกับอ่าตําหนิเราว่าเราแบบไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ท, ที่เราก็ได้แบบทําอย่างเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยก็ก็ไม่รู้ว่าเพราะนี้บางทีเราเราเราอดรนทนไม่ไหวเนี่ยเราก็อาจจะ ตอบโต้ไปบ้างแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่รู้สึกรู้สึกไม่ดีต่อทั้งสองฝ่ายก็เลยจะจะขออุบายจากอาจารย์หน่อยครับเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างเงี้อ่าเราก็ต้องดูตามเนื้อผ้าเขาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้อ่าเราก็อย่าไปถือสารเขาเรามีหน้าที่อะไรที่ต้องทําับเขาล้วก็ทําให้อย่างเต็มที่ของเราไปคก็พอ แต่ถ้าเขาไม่พอใจก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของเขาที่เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปโกรธเข า, เาไปเสียใจเพราะเขาก็เป็นเหมือนธรรมชาติอย่างหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติา เ, ารราตเหมือนลมกระแดดขับฝนอย่นี่ถ้ามองอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ค่อยไปรู้สึกอะไรของเขาแต่ถ้าเรามองบังบองว่าเป็นแม่เขาจะต้องมีความ มเมตตามีความใจเย็นอะไรกับเราอย่างนั้นอย่างนีง้เราก็ไม่เป็นดังที่เราคาดฝันไว้แล้วก็เลยอาจจะเสียใจก็ mm hmm. อย่าไปสร้างความหวังอย่าไปวาดความหวังไว้กับตัวเขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามตามความเป็นมีของเขา mm hmm. แล้วราเข้าใจว่ามันเป็นปรเรื่องธรรมชาติของจิตใจที่มันเขาก็ห้ามตัวเขาเห็นไม่ได้ แต่เราไม่ควรที่จะไปมีปฏิยากับการกระทําของเขาเราควรจะฝึกใจให้เฉยๆไว้รู้เองใช่ว่าใส่บาแบบห่าไม่เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราล้ำูุ่มอาจาไม่ว่ากับใครก็ตามกับแม่กับพ่อกับภรรยากับลูกกับใครนั่นเหมือนกันนั้นแหละ ปัญหาของเราไปอยู่ปัญหาของเราไปอยู่ที่เรามีความหวังมีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ได้เป็นเขาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเราก็เลยรับไม่ได้งนั้นอย่าไปหวังบอกเขาว่าเหมือนมือนกลับเป็นดินฟ้ า, ากปปัดหนึ่งแปดบวนอยู่เรื่อยๆน้ำ ม, มันดีสีมันค่อยกระจายไหมวันก็ดีแสนดีบางวันก็นไอ้ยแม่ปวดแกไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องก็อย่าพูดต่า ง, างคนตัดงนิ่งไปเราอย่าน้อยเรานิ่งก็งงงไม่นิ่งกันเราปลเพราะระบายไปเราต้อฝึกจิตให้มีเบกขาแล้วเราก็จะอยู่กแบบับกับคนมแบบันประการต่บบนางๆได้ต้องด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องอของอนันตา์ตาของไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวตนเป็นเรื่องของธรรมชาติของเหตุการณ์ที่แปรปรวนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยน เราจะเข้าใจไหมหมายถึงอนัอน้นตามหมายถึงเราทุกอย่างเป็นเหมือนปรกากฏการณ์ทางธรรมาชาติในเวลาแผ่นดินถล่มที่อินโดคนตายแล้วองเยอะเราไปกดแผ่นดินที่ถล่มไหเราไม่กดมันนะเราก็รับมนะือนนะมันเป็นปรกากฏการณ์ทางธรรมาชาติเราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดแล้วจะทำยังไงไปกดมันก็ไม่เกิดไปอยู่แล้วถ้าเหมือนกันนะกับคนก็เหมือนกันมันก็เหมือ น, นเป็นปรกากฏการณ์ธรรมาชาติ วันที่ดีก็ดีดีดีวันที่ไม่ดีก็เหมือนกับพวกเขาไฟระเบิดก็เราอยอมรับกับความไม่แน่นอนของของธรรมชาติวิธีลับก็คือเฉยไปท่นเข้าใจในการเข้าใจธรรมชาติพระพุทธจะาหวนพิจารณาสัพเพธรรมานตาทําทั้งพวงเป็นหน้าตา เป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนครับทีนี้เป็นคําถาม ต, ต่อไปเป็นคําถามเรื่องของการปฏิบัติครับนี้ก็คือพอเรากําลังพูดถึงปฏิบัติเนี่ยหลัจากที่คาสอนพระอาจารย์เนี่ยที่ให้นั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนเกิดอุเบกขาเนี่ยแล้วพอถอนออกจากสมาธิเนี่ยเราคา่อยมาพิจารณาเนี่ยตะ ก, กี้ต ก, กีที่ที่ฟังจากท่านอื่นๆมาเนี่ยก็คือว่าการพิจารณาเนี่ย สมมติอย่างเช่นเรายกเหตุว่าเราจะต้องพักภาคจากของที่เรารับอย่างเงี้ยแล้วสมมติในสมาธิเนี่ยเราเร า, เ ร, ารู้สึกว่าเหมือนเราทําใจได้เนี่ยแต่พอถึงเหตุการณ์จริงเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราทําใจได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยอันนี้คําถามคือว่าแล้วมันต้องฝึกขนาดไหนมันถึงจะจะเพียงพอที่เหตุเกิดพอเกิดเหตุการณ์จริงแล้วมันจะใช้งานได้ซึ่งยกตัวอย่างในกรณีเดียวกันเนี่ยก็คือว่าเราฝึกซ้อมตายพิจารณาความตายทุกรวมห่งใจเนี่ย แต่เราก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาเราจะตายขึ้นมาจริงๆเนี่ยไอ้ไอ้ที่ที่ทํามาเนี่ยซ้อมมันเนี่ยมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันมีเครื่องหมายหรือมีวิธีที่ทให้มั่นใจในในสิ่งนี้ได้ไหมครับก็อลองไปอยู่วัดไปอยู่วัดที่เป็นวัดปฏิบัติเนี่ยวันที่ไม่มีไม่มีเครื่องอํานวยความสะดวกอย่างที่เรามีอยู่ที่บ้านนะไปอยู่คนเดียวมันก็ตายจากจากบ้านไปตั้งสองสามวันดูเ อันดูนึรู้สึกหนาวรู้สึกว่าวห่รู้สึกคิดถึงเขาหรือเปล่าอะไรทุกข์หรือเปล่าวันดีก็ดีวันใดวันหนึ่งอาจจะล้มลายเส้นเนื้อประดาตัวคนที่รอบข้างเราตายไปหมดเ น, นือ้อเราคนเดียวไงแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงอันนี้ก็การไปอยู่วัรก็เป็นการซ้อมได้ในระดับหนึง่งไปอยู่บนเขาเชียงวนดูเลย <laughs> น้ำไฟก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำก็าสยน้ำฝนเองใส่แทงน้ำเนื้อกินอาหารก็ต้องเดินลงมาแต่เช้าหนึ่งบนเขาสามสามกิโลกว่าสี่กิโลมาหาอาหารกินที่วัดเรือออกไปบิาบาดกับพระอะไรหงือไม่มีอะไรเลยเหมือนคนที่ไม่้ประดาษตัวต้องลองทำนี้ดู แล้วถ้าอยู่บนเขามันมันเปรี้ยวมันน่ากลัวได้เพราะมีสัตว์มีงมีอะไรกลางคืนก็ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างมันก็อาศัยการใช้ไฟในลาเดินไปไหนมาไหนที่อยู่ก็ไม่มีฟ้าไม่ไม่มีฟ้าไม่มีกั้นอะไรมีแต่ผ้ามีแต่หลังคาแล้วก็มีที่ก็เลยเป็นแค่นั่นีองในทางเดินจงกรมนั่นแหละคือการเปรียบเทีการ ซ้อมว่าถ้าเกิดเรามันใดวันหนึ่งเกิส้นเนื้อประดาตัวสูญเสียสิ่งต่างๆไปเราจะยังมาอยู่แบบนี้ได้ไหมก็คือจําจําลองให้มันใกล้เคียงที่สุดก็คือต้องประมาณสภาพจิงจะอยู่แบบอยู่แบบพระนะทำแบบแบบท่าปฏิบัติเนี่ยท่านก็ท่านเมื่อก่อนนั่นก็เหมือนเราท่านก็มีบ้านมีเช่ามีพี่มีน้องมีเพื่อนมีผมมีอะไรอะท่านก็เห็นว่าวันใดวันไหน่ก็ต้องมีการพัดพัดดับกัน อ้าใครอยากจะอยู่คนเดียวดูถ้าอยู่ได้ก็มีความสุขไปอยู่ไปตลอดเลยก็ได้แล้ไม่กลับไหนก็ได้เพราะว่า อ, อยู่คนเดียวมันแสนจะสบายไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องมายุ่งกับคนนั้นคนนี้อย่างที่มาเล่ามา้ฟังกันเครียดกับแม่เครียดกับลูกเครียดกับแฟนหรืออะไรพ อ, อไม่มีแล้วถึงแม้ว่าจะเศ ร, ศร้าศกเสียใจในระยะแรกแต่ความจริงพอมันผ่านไปแล้วไม่มีมันดีกว่าเยอะแยะ ไม่ต้องดูแลเขาไม่ต้องห่วงเขาอีกนะอันนี้ก็เราต้องเปลี่ยนเป็นสิ่งแวดล้อมกำังกำลองสิ่งแวดล้ามเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยมีตัวเปล่าๆใับไว้จะมีโอกาสจะไปลองดูครับอโอเคนะเข้าใจไหม การเนี้นการเนยไปได้ต้องซ้อมเลยก่อนแล้วต้องฝึกสมาธิส ต, ต, ติให้พอสมควรก่อนพ่ามีบางคนไปเนี้ยไปอยู่ได้แค่ไม่ถึงสองสัปดาขอกลับก็มีฮนะบอกวไม่ไหวอมองอะไรเห็นมืเลยต้นไปหมดเลยเห็นอะไรก็ไม่รู้หมดแต่ก็เห็นนะี้ยบไม่เมฆเรา อ, อยู่บนนี้มาตั้งกีสิบปีแล้วเอนไม่เห็นอะไรทั้งอย่างแต่เขาจะเขาเห็นหมดมีอะไรมันร้อนใจเขาตลอดอะนรทนอยู่ไม่ได้ วก่กลับดีกว่าครับถึงต้อพ่อฝึกสติฝึกอะไรให้พอควบคุมไกลได้เวลาเกิดเมรัหรอนต้องต้องทําให้มันนิ่งให้ได้นี่เดี๋ยวมันทนอยู่ไม่ได้โอเคนะวีหลายคนเราเคยคเคยขึ้นไปอยู่อยู่ไม่ถึงไม่ถึงคืนบางที ย, ยังไม่ได้กี่ให้มงก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวอยู่คนเดียวไม่มีอะไรครับ นี่เราไม่คิดถึงนินราภแบบนี้กันเวลาเราปรฏิบัติเราคิดมันเป็นในเชิทฤษฎีมันยังไม่มันยังไม่เข้าไปถึงใจเรายังไม่เจอของจริงอะไรอย่างเงคื อ, อคิดว่าอย่างที่อาจารย์พูดว่าอี่เราก็นึกนึกนึกนึกนึกแต่ว่าจริงๆตัวเราจริ ง, งก็ยังอยู่ในห้องนอนห้องแอร์มันก็คงไม่คิดเราเรามไม่เหมือนกันนะครับต้องไปนึกแล้ต้องไปลองจุดแล้วเอาของจริงตามที่เรานี่ย แต่ได้รู้ว่าเป็นไงบ้างจิตใจออกมาโอเคนะครับขอบคุณครับคุณหมอภาสนานี่ก็ไปไปบ่อยนะกยนไปไงผมพอกลับมาแล้วค่ ะ, ะ, ะ, ะเดี๋ยวไปสองคนเดี๋ยวให้แฟนส่งกันบ้า น, นก็ไปไปอยู่บัานแต่ปาตสรน้อยมาสามสามคืนก็แย่แย่กันอยู่เวลา ใช่แยกกัแยกกันอยู่ก็พยายามฝึกสติอก็รู้สึกว่าจะทําได้ได้ง่ายกว่าตอนที่อยู่บ้านแล้วมันสงบอืมมันรู้สึกเหงารู้สึกเบื่อไม่อยู่แล้วไม่รู้จะทําอะไรเออไม่ก็เป็นอยู่บ้านเหมือนกันแต่ก็ก็พอได้กับดีมันต้องมีเหตุการณ์มานข้ามให้เราปฏิบัติไม่งั้นเราก็จะได้ปฏิบัตินถ้ามันเหงามันเบื่อมันก็ต้องปฏิบัติ มันถึงจ ะ, ม, งจะ ม, ม, มันถึงจะไม่เบืไม่เหงาอือนะคุณหมอมีอะไระบ้างคะอมีเลยค่ะพระอาจารย์ก็คราวนี้เนี่ยก็คือแบบอว่าไปลุยแบบที่พระอาจารย์บอกเ่าเคราวที่แล้วก็จะมีปัญหาที่แบบวโดนโดนคือให้เมตตาแล้วแต่ว่าก็ยังโดนกัดใช่ไหมก็มาฉีดยาห้าเก็มคราวนี้ก็กลับไปว่าอืมบ้าง ไม่ได้กลัวนะคะพระอาจารย์แตว่าก็อยากจะเป็นมิตรกับเขาก็เลยจเจริญต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยที่สอนเรื่องการจเจริญเมตตก็เตรียมของไปให้แล้วพอไปถึงก็เหาแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่เหมืนสมัยครั้งแรกเนี่ยวิ่งหนีไงคะก็เลยเกิดปัญหาขึ้นคราวนี้ไม่ได้วิ่งหนีค่ะพระอาจารย์ก็ให้อาหารเขาแล้วก็เขาก็สงบลงแล้วก็มันทําให้มันเหมือนกับเราสัมผัสได้ถึงอารมณ์เขาเลยพระอาจารย์มันเหมือนกับเออเขาก็เป็นเหมือนเป็นสราแหวนราเขารู้จักเราเขาก็เราแรวนเร า, เร า, เากรา่อน มันสะเพยสปตารจริงๆเพาะอาจารย์กอนหลังก็ง เ, เป็นเพื่อนเลยนะคะน่ารักมากคร mm hmm. าวนี้ก็เล็กกว่าตาได้ก็รู้สึกว่าโอดีมากเลยคือแบบจุดที่สมัยเขาที่แล้วที่ไปเจ็ดวันเนี่ยอยู่ข้างบนตลอดลงมาไม่ได้เลยโจนกระโจนใส่แต่ว่าคราวนี้ยคื อ, ค, อคือปล่ยใสมากตั้งแต่วันแรก ก, ก็ก็เป็นเพื่อนแล้วว่าอาจารย์ก็ <laughs> <laughs> จะใช้ความใจเมตตาแบบที่พระอาจารย์สอนแลคือให้ให้อาหารแล้วก็ผู้พี่ๆก็ช่วยให้ให้คลุกข้าวอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็ได้อยู่ห้องที่ไม่มีไฟนะพระอาจารย์อ ในห้องมืดตื่นเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่า <Yeah. S 2> ไม่มีความรู้สึกกลัวนะแล้วก็ออกเดินข้างนอกข้างนอ ก, กลับไม่มืดเท่าค่ะข้างในห้องอ่ะมืดตื่เลยรืมตาก็มืดแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันมีฟ้าไงค่ะก็ยังมองเห็นทางไม่ได้ใช้ไฟนะคะพระอาจารย์ก็เดินจงกรมตั้งสมาธิก็รู้สึกว่าเวลามันเร็วมาก mm. และสิ่งที่ได้เพิ่มนะคะพระอาจารย์ก็ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นิพนธ์สิ่งที่ได้เพิ่มก็คือกลับมาบ้านเนี่ยก็สวดคือบอกบอกมาบ้านพระอาจารย์ว่าเราท่องอธิษฐยานญาติญาติสูญได้แต่ว่า พาจารย์กถามว่าเออรู้ความใหม่ยไหมซึ่งเราก็รู้ก็เลยแต่เราอยู่ที่นั่นนะคะสวดมนต์สอสองชั่วโมงล้วก็นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะตอนเย็นกลับมาบ้านก็เลยเพิ่มรู้สึกว่ามันทําให้ดีขึ้นมากเลยก็ก็คือตอนเช้าเหมือนเดิมก็คือนั่งสมาธิเตือนจงกลมได้ใช้สติปัฏฐานสพ่ขึ้ น, นาสติปัฏฐานสีอริยสัจแล้วพอตอนเย็นเนี้ยก็สวดมนต์ใช้ธรรมาจากัแกลลแล้วก็อัญตละคณาสูตราาแล้วก็อธิษฐาระยะสูตรภาษาบาลีแต่สออันนั้นภาษาไทยก็รู้สึกดีครับอาจารย์ แล้วแล้วก็มันพิจารณาเรื่องคือละเอียดขึ้นนะคะ<ม>แต่ว่าไปไปแล้วรู้สึกสงบภาสารเห็นธรรมชาติแบบมันมันสงมบมากเลยพระอาจารย์เพราะว่าเติมคืนจุยมาแล้วก็ทํางานทาวัดทําห้องครัวแล้วก็กวาดตาหลวงพ่อก็ถามว่าจำพรรศาที่ไหนด้วยหลวงพ่อถามว่าปีแล้ ว, วจำพรรษาที่ไหนแล้วก็เอ๊ะจำพรรษาไม่ไหรอกอย่างนั้นเดี๋ยวปีนี้ปีหน้านเนี่ยจะ เราลองคิดแล้วค่ะว่าหลวงพ่ะว่า จ, ไจำไม่จาพันสามก็ขอจำพี่มัท่านได้ไหมคะก็กะว่านะคะอาจารย์เ <laughs> พราะว่าตอนนี้เป็นมิจับสุนทักษ์แล้วสบายแล้วน้องอเฮ้ยรู้สึกว่าแบบสงบมากเลยอะว่าอทิ้งบ้านน า, านๆพันพันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังทิ้งช่วงสั้นๆอยู่ <laughs> ทิ้งสั้นๆสั้นพันสามหนึ่งสามเดือนทิ้งไปเลยก็ไม่ไปกันแียวค่ะ ไปแยแฟนก็ไปอยู่อีกที่นะครับก็อยู่อีกที่อย่าไปอยู่ที่เดียวกัอ๋ออยู่ที่เดียวกันไปอยู่ท่าไม่ต้องไม่ต้องเห็นหน้ากันเป็นสามเดือนแล้วจะตายเลยโอ้ตายว่ะอาจารย์รู้สึกว่าอยู่ได้ว่ะอาจารย์จริงๆมันอยู่ภานักนักที่ก็อยู่ที่รับสองลูกนี่แหละคือถ้าไม่ถ้าลูกจกตอนนี้นะพระอาจารย์ไม่มีปัญหาเพราะว่ารู้สึกว่ามันคือไปอยู่ได้พระอาจารย์มีครูบาอาจารย์คือรู้สึกว่ามีครูบาอาจารย์ตอสอนรู้สึกมันทําให้เราเข้าใจอะว่าจะต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยอะค่ะมันทำให้สงบ รู้สึก ด, ดีมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะมาจบกัน์้านโอเคอย่าทาไปเรื่อยๆื่อไม่ถอยนะเพื่อไม่ถอยพราะอาจารย์รวยรยยังย่อโอเค <laughs> อไปที่คุณแดนต่อนีก็อยูดอนใกล้กันนาน่าจะรวยได้แล้วนะรววันมากกว่านนะก่ัตรงนี้นสกักการ์ค่ะอาจารย์ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยค่ะเคยไปสมัยก่อนนะคะ แต่ว่าอันนั้นก็ไปแบบอูประปาค่ะแต่ตอนนี้ความรู้แน่นนะคะแต่ยังไม่ได้ไปค่ะเราไปอยู่วัดดูบ้างวัดปฏิบัติวัดที่ไม่มีน้ํามีไฟวัดนี่เงียบอย่าป็นวัดที่ดังคนเยอะนั้นไม่ค่อยสงะมันตา่าวัดตากทุกวันนี้ไม่สงบเหมือนเมื่อ ก, ก่อนนะคนเยะะอะค่ะแต่ถ้ามีโอกาสลูกจะไปเจ้าค่ะมันไม่มีหรอถ้ารัไม่หาไม่ ถ้ารอาอกาสนำไม่มาเราต้องจ e UM ัดโอกาสแล้วต้องกําหนดโอกาสเหมือนอย่างอีกวันไหนสามวันไปเลยสิ้นปีนี่ท่านยังไปเข้านาำที่ที่นู่นที่นี่เลยเข้านาำในวัดหนดูทุกวันปีหรือเป็นยังไงค่ะยังติดอยู่ค่ะยังติดเข้าน้ำอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ใช่ติดเข้าแล้วค่ะติดภาระค่ะภาระงานค่ะตามไม่ได้ ค่ะเพ่าะหนาวเขาก็หยูุดสามวันยังไม่ต้องทํางานอยู่แล้วต้องไปช่วยเขาขายของนั่นแหละค่ะช่วงขายของใช่ค่ะต้องขายของเพราะว่าถ้าหยุดเทศกาลนี่คือช่วงหน้าขายของเลยค่ะเดี๋ยวต้อไปทําช่วงหนึเดี๋ยวก็ต้องไปช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลค่ะรู้ตัวแล้วค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติอยู่นะคะอแต่มันยังไม่ยังไม่ถึงไม่ถึงถึงแม่ใช่ค่ะ ดังลุมลุ่ตกันดอนคะ่ะถ้าเราันอยู่ที่ที่วัดที่มันอา่ากันดานนิดหน่อยอะไรอย่างเงาแล้วค่ะค่ะน้องออฟน้อง อ, อ, อ๊อฟเชนแบบบอทค่ะทค่ะน้ำมัศการคะ่ะไม่มีคำถามคะ่ะนี่เราที่พักเมียน ยังไม่ได้จองค่ะแต่แต่ว่าเดือนนี้เคยบอกผ่าอาจารย์ไว้ว่าจะปฏิบัติที่บ้านค่ะปฏิที่บ้านก็วันเสาร์ไปตักบาทแล้ววันอาทิตย์มาปฏิบัติค่ะหนึ่งคืนค่ะผ่าอาจารย์เพราะว่าถ้าหนึ่งคืนก็จะไปบนเขาไม่ได้ก็หลายวันหลายวันหาโอาสไดค่ะอย่างน้อยต้องสองคืนนะคะผาอาจารย์แล้วเดือนนี้ไม่มีวันหยุดไม่มีเลยค่ะค่ะ ขึ้นงันวลไม่ได้ต้องขันอยู่ใต้ทางันวลไปก่อนค่มันก็ชาหน่อยนะจะไปถึงชาหน่อยค่ะก็อย่างน้อยก็มีวิชาป้องกันตัวไว้ระดับหนึ่งค่ะค่ะค่ะขาถ้าคุณศิลป์เชียงรายเองการรุสการพัฒนาครับยังไงครับ อันนี้ก็วันใตยแล้วนะเนี่ยสัตวชีกัเลยนะครับผมมันนี่เปนสัตวชีครับอาจารย์ครับก็ดีดีอยู่ครับอาจารย์ทาให้สงบมากขึ้นครับอาจารย์ครับเออก็ก็นิ่งนิ่งอยู่ครับก็ไม่ค่อยฝันส่วนใหไม่ค่อยฝันอะไรครับอาจารย์ถ้าภาวนาเยอะๆครับฝันมันจะไม่ค่อยมีครับเม่ค่อยฝันแล้วก็มันไม่ตื่นตื่นก่อนเวลานาฬิกาปลุกอยู่อยู่ครับอาจารย์ครับ มันจะมันจะเลาะเข้าช่อบของวันเองพอมันใกเติมเวลานั้นต่อไปมันก็จะเติมเวลานั้นเองครับผมครับผมใช้ครับบางทีตื่นมาว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมนาฬิกาไม่ปุบอ๋อไปดูไปดูที่โทรศัพท์ว่าเอ้านี้ตื่นก่อนเวลาแล้วก็มันตื่นก่อนประมาณห้าทีสินาทีครับอาจารย์ครับเวลาโปรแกรมมันถ้าเราใครทํำยังไงต่อไปมันก็จะมันก็จะเติมเวลานั้นไปเติมเวลานั้นไปเติมเวลานั้นใผมครับ ใช่ครับอาจารย์ครับเหมือนกับช่วงตอนเย็นอย่างเงี้ยครับถ้าประมาณสักสองทุ่มนี้มันมันก็จะเริ่มแบบเขึ้นหยาจะหลับตาเลยครับอาจารย์จะไปนั่งสมาธิเลยครับอาจารย์ครับใช่ครับผมก็มีมีแผนเดืนหน้าก็จะออกไปปฏิบัติบุคคลพรอาจารย์ครับอไปไปที่วัดแถวในจังหวัดเชียงรายครับอาจารย์เป็นเป็นธรรครับอื ไปอย dove, yeah, words, ู kind of it, ่กับธรรมชาติคนจะอยู่ก็อยู่กับบ้านนัานๆอยผมกับบ้านมันไม่มันไม่มันไม่เหมือนกับประโยู่กับธรรมชาตินะครับผมครับผมก็ก็ผมก็ระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าทุกพระองค์ไม่ได้ตัดสู้ในบ้านนะครับะตัดสู้ในป่าเกือบทุกพระองค์นะครับจะไปอยู่ในบ้านจะให้จะให้บรรลุธรรมเห็นธรรมัคงเป็นได้ยากครับน้อยน้อนมากแคบจะไม่มีแล้วนะครับผม ประวัติค e ูบาอาจารน์แตก็ต้องไปอยู่ตาปลาตามเขานั่นเน่ยครับผมครับผมทีนี้ก็ฟังฟังอยู่ทุกประวัติของหลวงตาเออประวัติของหลวงครูมั่นอยู่ครับอืมก็ฟังที่ที่เป็นสิยงเทศเสียงของครับหลงพระอาจารย์สุใจไม่ได้ใจไม่ไใจครับพระอาจารย์สนใจครับช่วงช่วงตอนหัวข้ามก็จะฟังเอ่อธรรมะของ หลวงตาครับทำมาชุดเตรียมพร้อมครับเออฟังมาก็ห้าสิบห้าสิบกว่าตอนนะครับอาจารย์กับผมดีดีครับแปลว่าเอในด้านกิตติภาวนาดุ้นๆเลยครับก็ก็ได้อ่านได้ทำดีครับอาจารย์ครับกับผมนี่ค่ะนี่ธรรมะเหล่านี้จิตใจจะได้ไม่หลงทางกับผมมัาเปิดแผนที่อยู่ทำธรรมะก็เป็นเปิดแผนที่หรือว่าเรามาทุกทางหรืเปล่า โชคดีมากเหมือนกับผมได้เรียนไปครั้งทุกครั้งว่าได้เจออาจารย์นี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับก็พยายามปฏิบัติให้ถึที่สุดนะครับอาจารย์ครับได้ดีถาถึงกับกับพวุฒอาจารย์อีกครั้งนะครับขอพระอาจารย์แสดงขออาจารย์ยามาอะรเรื่อยๆนะถกากับผมถึครับคุณตายพัทยายังคุณตายมันนี้วันพระเธอศติปตนไม่กินข้าอย็น ไม่กินค่ะพระอาจารย์หิวหิวกินน้ำผึ้งไปได้ไหมเปล่าคะหนูกินน้ำผึ้งไปช้อนหนึ่งน้ำอะไรนะน้ำผึ้งค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ไ ด, นได้น้ำผึ้งได้น้ำพึ่งน้ำผลไม้ได้น้ำชา ก, กาแฟได้แต่ไม่ถ้าไม่กินมันได้อย่างดีเดินแต่น้าเปล่าได้อย่างดีให้มันรู้แล้รู้รอดไปใจมันเวิววิววันนี้ทานข้าวเร็ว อันวิว เ, เพราะกิเลสหรอมันไม่ใช่วิวเพราะร่ า, างกายมันไม่มีร่างกายเราหนักเยอะแยะมันเก็บอาหารสำรองไว้ในร่างกายเยอะแยะไปหมดค่ะก็วันนี้ก็ฟั ง, ฟ, งฟังนั่นเออดแล้วหนูก็โอ้หนูยังอยู่ในป่าในะเขาอยู่เลยเขาไปกันทางถนนหมดแล้วหนูยังออกจากป่าไม่ได้เลยเขาจะไปป่าก <laughs> ันนะเราจะไปป่าก็ได้มา เราจะเข้าป่านั้นตอนูี่ออกจากป่าทำไมเราถ้วเราอยู่ในป่าแล้วก็ดีแล้วเลยไม่ใช่ค่ะการเดินทางของทุกคนเขาไปทางทางด่วนกันอย่างเงี้ยทางด่วนทางไม่ด่วนแต่หนูยังออกจากป่าที่ลกเกทึบอยู่ไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นครับอาจารย์ความหมายกีกไกลเลยค่ะยังออกจากป่าของกิเลนไมได้นะใช่ค่ะอะาจารย์ ก็เหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันแต่ก็พยายามอยู่ค่ะก็กบอกตัวเองว่าสู้ๆไมายากดีนะครับสองเดือนนี้อย่าท้ออดทนทำไปเรื่อยๆตามกําลังของเราอ้ามันไกลกําลังเราอยากจะทําทําไม่ได้มันจะท้อได้ต้องร่วมกาลังของเราด้วยนะอย่าให้มันท้อะ วันนี้ก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรค่ะอาจารย์โอเคสาธุจากฮ่อาคนาิกาอย่างที่ว่าโดนระเบิดเป็นยงไงบ้างอยูใกล้บ้านหรือเปล่าคะจาน้ำตารเจ้าค่ะอาจารย์อยู่อยู่ไกลค่ะอาจารย์ประมาณเจ้าที่20กิโไกลนะคะอาจารย์ก็ถามว่าเดินไปมาก็ ก็ต้องระวังตัวค่ะตอนนี้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราไทยพูดน้อยนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก็เมื่ออยู่กับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าอืมเรื่องตายเป็นเรื่องปกติก็ดีจะได้จะแรงมาโนสติได้เลยพอรยยยยพอว่าอย่างน้อยก็ยังมีพระอาจารย์อบรมสั่งสอนอยู่เพราะว่าคิดว่ามาอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งปีแล้วเริ่มจะเกิระเด็ว่า เป็นคนใจร้อนจะร้มาก ๆ, ๆจะร้อนมากแล้วก็สงบเย็นลงแล้วก็มาเจอกับความอยากแล้วก็ความอยากนู่นเนู่นนี่นั่นที่ทําให้เราเกิดทุกข์นะคะพระอาจารย์ก็หังนั้นก็แก้ปัญหาได้มาเรื่อยๆจึงจะแม่นรุ่มรุ่โดยโดนบ้างแต่ว่าใจเราสงบลงนั่นแหละคือนี่คือบุญคุณที่เราได้มาเจอพระอาจารย์และพระอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนแลาา้วก็เป็นคนที่ว่าชอบฟังธรรมะนะคะพระอาจารย์เมื่อเราชอบฟังธรรมะแล้วแล้วก็ชอบจด แล้วก็มาอ่านอ่านแล้วก็แล้วส่วนหนึ่งก็จะไปให้คุณพ่อฝึกก็ฝึกการอ่านใช่ไหมะพ่อจันตรวจหมุนและให้พ่อสรวจหมุนด้วยแล้วอัาเี้ก็จะมีความสุขในในจุดนี้ถึงเน้นจะไม่ได้มั่กแต่ว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันลุกทําอยู่นะคะพ่าจันใช่ดีแล้วก็คือลูกจะถาม ว่าเกิดบางครั้งมันก็ไม่ใช่ว่าทุกขันมากว่าจัดเมื่อมีอารมณ์จากสิ่งอื่นมาสัมผัสกับเรานะใจใจจะสั่นตุ๊กๆุกตุก ต, กตกนี่คือสาเหตุมาจากอะไรเจ้าจางกิเลสก็ไลยมันมันไม่เฉยมันการมันไม่มีเมฆามันไปหลงกับ<อ>เหตุการณ์ที่มากระทบกระใจเราทำให้กลาความกลัวบ้างเกิดยความโลภบ้างนะแต่เหตุการ เนี่ยต้องต้องเอาหนึง่งสติกรรมมาพุโทโธพุโทโธบอกหาวใจมันเป็นตุกทๆกทุกทุกทพุทธพุโทโธพุโทพโธ ใ, ใ, ให้ทำให้มันนิ่งได้นะคือถ้าใช้ปัญญาบอกมันเป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันมากล้เราผัดทําใจอยู่กับมันให้ได้เจ้าขาพ่อจันก็คือเป็นอาทิตย์ที่แล้วที่พ่อจาย์บอกว่า ก็เพื่อนเมื่อนก็ถามในเรื่องของสิ่งที่มากระทบแล้วก็เกิดการที่ว่าเกิดอารมณ์เกิดขึ้นให้พระอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับธรรมชาติแค่นี้คือธรรมชาติก็คือดขึ้นมาและเร า, า, ไ, มาไม่สามารถที่จะไป บ, งบังคับได้นเกิดราไปกดธรรมชาติไม่ได้ใช่ไหมฝนตกเร า, ก, ร า, าก็ไม่ไปกดฝนใช่ไหมอายุมาเรากไม่กดอายุมะยังต้องมองทุกอย่างเหมือนเป็นธรรมชาติห้ามเขาไม่ได้ คนจะร้านกับเราก็ห้ามเราไม่ได้คนจะด่าเราเราก็ห้ามไม่ได้คนจะไ้าเนียบใจเราเก็ห้ามเไม่ได้เขาเป็นเห็นได้เลยแต่แต่ก็ก็เรื่องของคนที่เขาแรงน้แใจนะก็ก็จังเจออยู่จังเจออยู่เช่นเราสร้างบ้านแล้วก็เขาเขาเอาของเราเยอะมากอะไรอย่างเี้เลยแต่ว่าก็ไปเขาไปเขาาไปได้เราให้เขาไป ความอยากเราก็อยากย <ừ> mm. ้าเขาเอาเราแน่นอนแต่ว่าดูว่าเหมือนกับว่าเขาซื้อมาสิบาทนี่เขาก็ามาเอากำไรในการสร้างบ้านใ้่ไหมค่ารุ่นค้านี้เขาเอาย1สิบอดบาทอะไรประมาณนั้ น, นเนาก็อย่าไป <c oughs> ทำธุาะกับเขาว่าแล้วัิอย่าไปจ้าเขาเค่ า, าโอเคนะขค่ะอ่าคือบอสพัิยาใชบอส รารอศ ก, การพระอาจารย์ครับไม่มีคำถามอะไรครับโอเคจบกัน <Okay. S 2> บ้าง uh huh. ก็ปฏิบัติอยู่ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวมีไปวิเวก5้าวันต้นเดือนอีกสองอาทิตย์ครับไปที่ไหนลนะ่ะมีที่ไปหรือเปล่าไปผมยังไม่รู้จะไปที่ไหนผม search เน็ตผมเจอของชื่อมู ล, ลานิธิมายาโคตามีอเลยห้าวันผมไปอาศัยสถานที่ โ okay, อเคเราดูดูว่าสงบไหมนะถ้าที่สงบ ก, ก็ดีโอเคต้ okay. องไปทดลองดูเดี๋ยวเจอที่ดีจะได้มีที่ไปบ่อยๆนะเนอแต่ว่ามีอีกที่หนึ่งที่อันนี้ก็ตั้งใจลงไปก็จะเป็นช่วงหลังปีใหม่เป็นประมาณกลางเดืนอนกับปัดมหิยงไปที่อยุธยาทีา่น S <S ก็เราดูมีหลาย ท, ที่ที่มีการปฏิบัติก็ไม่ต้องมาท ด, ทดสอบหรือทดองอยว่าที่ไหนบอกกับเราอโอเคน ะ, ะคุณยินดีจากแ a นซัสเอสเสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สบายดีนะคะอาจารย์สดีค่ะเดวิดบอกกราบถึง ขอซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ท่านแขงแข่งค่นอาจารย์เป็นลมโผล่ลมไปนานคะ่ะท่านอาจารย์ครับอย่างเมื่อวานนะค่ะเมื่อวานตอนเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกจะกลัวแต่เดี๋ยวนี้คือลูกเฉยก็คือเหมือนตอนเช้าผู้หญิงอะคะ่ะเขาได้ยินเสียงเขาเขาแบบเขาพูดออกมาคำหนึ่ง คือย้ำออกมาเหมือนพอพอเหมือนคำพูดเหมือนแต่ลูกมีความรู้สึกเอ๊ะเรากลืนแบบกึลืนหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจก็พยายามพยายามพยายามพยายามฟังดูมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แล้วในใจลูกก็ไม่ได้กลัวปกติเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดอย่างเนี้ยหนูลูกจะกลัวนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะ่ะตั้งแต่พอปฏิบัติทำมาลูกก็มีความรู้สึกอ่ะเออดีจังเลยมันไม่กลัวแล้วหนูก็นึกแล้วหนูก็เลยนึกในใจว่า แล้วจะพูดทําไมแค่นคานั้นน่ะก็พูดไปสิว่าพูดโทแล้วหนูก็เลยพูดเป็นเสียงออกมาเลยแบบเป็นเสียงตามเขาอะค่ะว่าพูดโธพูดโธจากนั้นเสียงอันนั้นก็ค่อยค่อ ย, อยหายไปอะค่ะท่านอาจารย์แล้วชักพังหนึ่งเออเออในกาบุกก็ก็ปุกก็ปุกตื่นพอดีเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็ถ้าเกิดในกรณีเนี้ยลูกควรที่จะเงียบ ไม่สนใจหรือหรือคือด้วยความที่มันมีว่าลูกก็เลยบอกจะพูดลูกก็เลยพูดพูดแบบพอเขาพูดคำํำพอเขาพ่นออกมาว่าพอหนูก็พ่นออกไปว่าพูดโทแบบตามเขาเนี่ยค่ะแล้วรึเปล่าขอให้เราเฉยใจเราไม่ตื่นเต้นตกใจก็ใช้ได้คไม่ค่ะ<ๆ>ไม่เลยคะ่ะเงียบ จ, จะเนี่ก็ยังว่าตัวเองเลยแบบคือถ้าเกิด คือตั้งแต่การปฏิบัติมาค่ะท่านอาจารย์ตั้งแต่ตอนที่อยู่เซาทคาโรไ ล, ลานาแล้วค่ะเคยสมัยก่อนถ้าเกิดในกรณนนีมันมีอะไรหลายอย่างที่ลูกคิดว่า mm hmm. ดีมันมันมีหลายอย่างมากเลยค่ะลูกก็ต้องกราบออขอพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้ขึ้นสมัยก่อนลูกมีป้าก็เวลาป้าเสียก็ยังมีแม่พอแม่เสียก็นึกว่าไม่มีใครเป็นล่มโป พอมีท่านอาจารย์เนี่ยค่ะก็เป็นลมโพล่มไส้ให้อ่ะค่ะแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะปฏิบัติการปฏิบัติก็ดีขึ้นเวลาหนูไปเดินป่าที่เซาท์แโรไลนางูค่ะงูตัวงูสีดําอะค่ะดําดำปื้ดเลยค่ะท่านอาจารย์เขาเขาเขาเขาเข า, เขาเดินคือคือเราก้าวเท้าเนี่ยเราจะไปเหยียบละเดวเิคอตกใจหนูหนูเขาตกใจลูกก็เลยจับมือเา้าแล้วลูกก็บอกว่า เฉยเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วลูกก็เฉยลูกบอกให้เฉยแล้วก็หยุดแล้วลูกก็หยุดทุกคือหนูสองคนเนี่ยหนูจะหยุดหยุดแล้วก็เฉยกันแล้วเดมเี้ก็ยังบอกเลยว่าทำไมหนูนิ่งหนูก็เลยบอกอ่ะที่หนูนิ่งอ่ะเพราะว่าเพราะว่าคือทุกอย่างนะคะท่าจา์คำพูดของท่าจา์เนี่ยจะผุดขึ้นมาตลอดไม่ว่าสถานการณ์ใด ลูกขอบพระคุณมากๆเลยครานอาจารย์อโอเคแล้วแล้วในกรณีอย่างเนี้ยลูกควรที่จะนิ่งหรือหรื อ, อลูกต้อง<ด>ทำอะไรบ้างคะนิ่งได้ดีสดมันจะทำํำอะไรก็ผ่านมันทําไปคิดว่าเป็นเวรกรรมของเราว่าเราทามันจะทําเ่ะแต่แล้วเราต้องต้องแบบพุโทโธไหมหรืออะไรไหมหรือต้องอะไรหมถ้นียงถ้านี่งก็ไม่ลอาพุทโธถ้าไม่นี่งก็ลองพุโทโธให้มันนิ่งอ๋อค่ะแต่ลูกก็นิ่งค่ะแต่มีความรู้สึกว่าอ้าว แล้วอยู่จะพูดทําไมก็พูดอย่างนี้ไปสิเป็นเรื่องในใจเงี้ยค่ะก็บอกเขาไปว่าอยู่จะพูดอย่างนี้ทําไมอยู่ก็พูดไปสิพูดตามเนี้ยไปเลยเนี่ยพอเขาพูดอย่างนี้หนูก็พูดพูดโธหนูก็พูดพูดหนูก็พูดพูดโทเหมือนกับว่าสอนเขาว่าให้พูดพูดโธไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยค่ะถ้าอาจารย์ลูกก็เลยแบบว่า ถ้าอยู่เมืองไทยอะลูกก็ต้องรีบไปทําบุญใช่ไหมคะท่านอาจารย์แต่แต่แต่แ ต, แต่เนี่ยหนูอยู่อย่างเงี้ยแล้วหนูหนูหนูก็หนูห น, หนูหนูทําไงอะคะท่านอาจารย์ลูกก็ไปแบบเพิ่มบุญนะคะใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยแหละเป็นบุญที่ประเสริฐที่สุดขอบพระคุณมากคะ่ะท่านอาจารย์ลูกก็ปฏิบัติเหมือนเดิมก็ไม่ต้องอะไรหรือต้องเดวปัญหาขยายมันตึงเต้นตกใจนะถ้าไม่ตึงเต้นตกใจก็จบ ไม่ค่ะไม่กลัวยังเงว่าเอออะไรเกิดก็คิดว่ามันเป็นนิจจังไปเกิดแล้วกระดับไปค่ะค่ะค่ะท่านอาจารย์เนี่ยค่ะท่านอาจารย์หนูก็เลยเนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าเออก็ปกตินะคะถ้าเกิดคือเรื่องถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยหนูจะไม่รู้ตัวว่าเราเป็นยังไงแต่พอเรื่องมันเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกเออ ปกติเนี่ยถ้าเป็นการข้อสอบแล้วนายเจมข้อสอบปกตินะคะด้อาจารย์ก้เป็นอย่างเงี้ยหนูก็เห็นแล้วค่ะหนูกลัวแบบหนูหนูหนูต้องกลัวและหนูต้องแบบว่าแบบต้องรีพูดโทพูดโทในใจหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่แต่นี้ไ็อดันดันดันเฉยได้ทำขก็สอบได้ทำข้อสอบได้ เต่างๆเรดู <substit uting> ข้อสอบอย่างอ่นต่อไปมันจะใช like ้แบบนี่ได้ค่ะาอาจารย์แต่ก็ค่อยๆค่ะถ้าอาจารย์แต่ก็ก็ดีใจค่ะแบบในในมีความรู้สึกในใจว่าเออแบบก็ก็ดีใจรู้สึกดีใจแต่ก็ไม่หลงนะคะเพราะว่ากลัวเหมือนกันเราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมีอะไรอีกขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่หลงค่ะอาจารย์ก็มันจะเกิดแล้วก็ใช้เหมือนเดิมเนี่ยไม่ต้องทำอะไร คือเพียงแต่ว่าอยากจะทราบนะคะว่าเวลาอยู่ที่ไหนแล้วเราจะตายก็ให้มันตายไปค่ะค่ะให้มันตายไปแต่เราขอให้เราเฉยของเราอย่างเดียวมาแล้วกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ดังนั้นหนูไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นใช่ไหมคะไม่ต้องพูดอะไรค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณม่ะก็ได้ไม่พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ก็สำคัญอยู่ที่เราอย่าไปเืินเต้นตกใจกันมาแล้วกันค่ะท่านอาจารย์ว่าเมื่อวานเมื่อวานนิ่งมากเลยค่ะท่านอาจารย์นิ่ง พยายามแบบฟังให้ชัดว่าเอ๊ะเราครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือเปล่านิ่งนิ่งนิ่งฟังตลอดแล้วก็มีคามรูเอ๊ะไม่ใช่ละดังนั้นก็เลยพูดพูดตอบเข้าไปว่าอ้าวจะพูดทําไมคํานั้นน่ะพูดมาซี่ก็เนี่ยพูดโทไปสี่ก็พูดโทไปอะไรเงี้ยหนูก็พอเขาพูดหนูก็พูดต่อแล้วขอบคุณมากค่ะนอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณที่มาสื่อค่ะทานอาจารย์คุณชนะต่อชนี้ยัยไหน นักศึกษารครับอาจารย์อยู่วัดทุนธานีครับมามาเอะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีครับมกระกระอาจารย์ครับยังไปที่คุณจอยต่อจอยมีอะไรไหมามาใส่บาตเมื่อไหร่เมื่อวานหรือเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าค่ะค่ะว่ามีมีตลอดค่ะมีตลอดเหมือนเดิม ว, วันนี้ยิ่งตอบผมตักๆมากเลย ทรับตรงนี้แหละก็คือแบบหนูอะขายมองไหมใช่แล้วทีเนี้ยหนูบอกเขาว่าจะยอ้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคนตายกมือ่าเก่งมากเก่งมากไปไปดูประตต่อนะแล้วทีเนี้ยหนูหนูทอดแล้วมันไว้แล้วหนูก็เพิ่งเปลี่ยนมันไปแล้วเขาไปเอาแหน่ไปทอดแล้วกันดำแล้วหนูก็บอกว่า หนูมโหมากมันติวขาดแ ล, ล้วมัแบบว่าทุกท่านทุกกระบอเธอไปแต่ทไมเธอแบบคือทที เ, เก่งมากเก่เหมือนคนเสี่ยองให้ถูกเนะแล้วหนูก็โมโหแบบไม่อยากไปยุ่งแล้วเขาอันนี้เขาจะทำอะไรกันางขอาเนั่นแหละแล้วทำให้หนูติวขาดหนูรู้สึกว่าแล้วทาไมหนูถึงทาหนูก็เลยทษตัวว่าทาไมเรา เราทำไมเราต้องเอาลงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ดีว่าเราไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นแต่งี้เขาไม่ทํำเราก็เลยคืบคานใช่ค่ะอยากไปอยากต่อไปก็จะทำอะไรก็ทําไปหนพยายามคิดว่าทุกอย่างมันมันมันไม่นีแต่มันถึงเวลามันก็พอเวลาเจอมันไม่ยอมทํำตามความคิดใช่ใช่ใช่บางครั้งคิดได้ เพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรก็มันก็จะได้รู้ว่าเป็นข้อสัพที่เราจะต้องทำให้ได้ต่อไปต่อไปหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยหลังปีใหม่จะหาโอกาสไปอยู่วัดบ้างไม่งั้นไม่ไหวแน่มันมันไม่มีกำลังไม่ใช่ใช่ไม่มีเลยอมันเหมือนกับทุกวันทุกวันเลยค่ะค่ะก็ไม่เปอะไรค่ะแต่คงยากนี้ลูกสามคนต้องเล่นดูจะไปได้ไงก็สองคนอ่ะ ดูน้องคนเล็กได้เคย<ม>ไปแล้วแล้วเขาก็<ม>ดูได้ก็เัาดูอ่อออออานลพาฒนาอบอกเวนก่ารมรสการนะคะอาจารย์วยันนี้มาขอร่วมฟังธรรมกันตอนนี้ก็ฝึกสมาธิเช้าเย็นค่ะว่าอาจารย์ระหว่างระหว่างวันถ้ามีเวลาก็พยายาม หลับตานั่งเงียบๆนะคะพะอาจารย์ใช่ช่วงไหนว่างก็นั่งสมาธิไปดีกว่าค่ะเราไม่สงบก็ดีกว่าไม่นั่งไม่ทำก็ค่ะคือคือถ้าเราไม่นั่งแบบขัสมาะเรานั่งเกี้ยอีธรรมดาแล้วว่าระยัดระยเงียบๆก็หลับตาถ้าเราไม่ต้องทำหนึ่งช่วงหนึ่งเานั่งหลับตาอยู่ลงไปพูดุทโธก็ค่ะ เวลาเวลาเดินออกไปด้านนอกก็จะเดินเดิ น, ดนก็เป็นเหมือนเดินชงกลมไปด้วยอย่างนี้เนครับระะอาจารย์อทุกปีญาบดใชครับเดินชมกลมตอนนี้พยายามเพียนตรงนี้ใช่คัอาจารย์อัตสติให้มากๆเวลให้มีสติตลอดเวล า, าโอเคนะก็มาลงถึยาลต์ันตที่ไหนขารรมศสการค่ะพระอาจารย์ อ uh, อยู่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตนะีมีอะไรไหมวันนี้อ่า uh, วันนี้ไม่มีคําถามค่ะแต่ว่าอยากมาบอกพระอาจารย์นะคะ uh, คือหนูปฏิบัติอะคะ่ะเริ่มปฏิบัติจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิอะค่ะมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วค่ะไม่นานมากค่ะแล้วก็ไม่รู้ทําไมว่าพอได้มาพบเพจพระอาจารย์นะคะก็ตั้งแต่ตั้งแต่ฟังพระอาจารย์สอนมาก็ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไม่รู้ทำไมน้ําตาไหลแล้วก็รู้สึกว่าจิตเราน่าจะน้อมน้องฟังพระอาจารย์ค่ะนับถือพระอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ค่ะมันถูกเจริญใช่ไหมมันครบเจริอาจจะใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกรู้สึกขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะที่เมตตาสอนทําผ่านทางออนไลน์มาตลอดค่ะดีดีใจค่ะที่ที่ได้มาฟังพระอาจารย์สอนค่ะพยายามฟังแล้วเรื่อเยเรื่อยศึกษาแล้วนำมาไปปฏิบัตินะค่ะ ขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงนะคะด่าสาธุจ้กบขอบคุณค่ะแม่แม่ตอบแม่แมที่ไหนกล่าวัานรรากการพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ไหนจย์อยู่มาปฏิบัติที่หัวหินเจ้าค่ะแบ้านที่ไหนกรุงเทพค่ะกรุงเทพที่หัวหินเป็นที่ปฏิบัติและที่เที่ยวมานน่ มีคือมีที่อยู่แต่ว่ามาลองอยู่ตั้งใจจะมาอยู่คนเดียวแต่สิ่งแวดแล้อมบางทีก็ไม่สงบอยดีดเจ้าค่ะอยู่ในคอนโดค่ะอยู่คนเดียวอยู่ตอนนี้ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะมันจะนอนสติดเดี๋ยวมันก็จะทัออกมาแบบบางทีเหมือน ยังมีแบบเสียงข้างนอกดาอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันแล้วห้ามมันไม่ได้แล้วก็บางทียังเจอแบบคนรู้จักอะไรอย่างงี้ยก็อย่าไปข้างนอกจะอยู่อยู่ในในในในห้างเรบอยู่ในคอนโดแล้วนั่อกองนั่งสมาธิในห้อาอย่าไปน้ำบัดรับรู้ว่าคนในข้างนอกก็ยังอยู่ไม่ได้ยังเดินอ ย, อยู่ต้องออกไปข้าเหมือนเดิน เดินออกไปก็จะเจอเขาเลยอะไรเงี้ยก็ยาวไปเลยถ้าไม่เป็นชั่วคราวเป็นก็ยากไปไปเฉพาะเวลามันจำเป็นจริงๆถ้าไม่จำเป็นก็ขังตัวเองไว้อยู่ในในคอนโดนะในล้วปฏิบัติในในห้องไปแล้วก็มีพอได้ปฏิบัติแล้วก็รู้สึกบางทีเหมือนกิเลสก็น้อยลงแต่บางทีก็รู้สึก กิเลสเหมือนแรงว่าแบบปะทะหนักมากเลยเจ้าคะ่ะอมันเป็นอย่างนี้กนะิเลสมันที่มันก็แกล้งแกล้งทาเป็นยอมแพ้ เ, เราพอเราไหลมันก็ไหลอัดลอยอย่างเต็มที่เลยเวลาหยับไหลแล้วเนะราต้องพยายามมันจะระคตรอยเรื่อยๆควกความควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆถ้ามันจะแสงเล็ดไม่ค่อยได้ถ้าไม่<ล>ควบคุมความยิดเดี๋ยวมันก็แผงด้วยออกมา แล้วก็มีเหมือนตอนนี้ชอบนึกถึงเรื่องอาหารแล้วก็เหมือนพอถึงเวลากินข้าวก็จะแบบรู้สึกอยากกินว่าจะแก้ยังไงดีเจ้าคะอ๋อการนึกถึงอาหารที่มันอยู่ในปากเราเลยนี่ถึงอาหารที่อยู่ในท้องเรามันหน้าตามันเป็นยังไงลองคายออกมาดูเละเคี่ยวอาหารที่อะไรอร่อยลองคายออกมาดูว่าเป็นยังไงหน้ากินหน้าตามันเป็นยังไงของน่ากิน เห็นอาหารที่มันอยู่ในปากเป็นไงอจะไม่อยากจะกินก็นได้เจ้าค่ะแล้วก็มีภาวนาพุทโธแล้วเหมือนเห็นโครงกระดูกแต่ไม่ชัดเจนแต่พอเหมือนเพ่งไปแล้วจิตก็สงบลงคือทำถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะได้ได้ถ้าจิตสงบก็ใช้ได้เ่งโครงกระดูกก็ได้แทนพุทโธก็ได้ ถ่าจุดสีน้องก็ใช้ได้อ๋อเจ้าค่ะแต่เราทำถังหลอยทำเยอะๆทำมากๆแต่เหมือนเห็นก็ไม่ชัดเจนเจ้าค่ะก็เหมือนไรก็ไมเป็นไรชัดเจนไม่ชัดเจนดูไปๆมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นไปได้่ๆแล้วก็เคยมีเหมือนเป็นแบบเส้นผมอะไรขึ้นมาก็มีนิดน้อย ก็ไม่เป็นไรแต่มันไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำให้เราสงบแล้วกลับมาที่พุโทโธจะดีกว่าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแต่ถ้าสงบก็คือใช้ได้ไใช้ได้ถ้ามันสงบมันได้เงียสบายก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็มีเคยเหมือนตื่นนอนแล้วเหมือนจิตมันรวมแต่ว่าก็แค่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็รู้สึก สว่างมีพลังตื่นแต่ว่าเหมือนไม่ได้ตั้งใจแบบเกด อ, อะไรคนิการสมาธิเป็นสมาธิชัว่วคาวกล้หรือว่างมันเป็นแล้วก็มันผ่านไปก็ถือว่ามันเป็นอนจิจจ์ไปแล้มันไม่ต้องไปกังวลกับมันบางทีไม่ได้เข้าสมาธิมันก็สามารถเกิดได้ได้ได้บางทีนะไม่ใช่ตลอดเวลาจาวสนใมันเกิดตลอดเวลาเราต้องนั่งสมาธิไป เจ้าค่ะแล้วก็มีเหมือนตอนเดินจงกรมก็เหมือนตัวมันเบาๆเหมือนลอยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะรู้สึกไม่ชินควรจะทํำยังไงดีก็ดีถ้ามันเบามันลอยแสดงว่าจิตเราเริ่มว่างจิตเราเริ่มสงบแ ล, แล้วก็เดินต่อไ ป, ปตามปกติไม่ต้องไปขมวดเจ้าค่ะแล้วก็บางทีก็มี เหมือนความคิดไม่ดีเข้ามาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจควรจะทำอย่างไรเจ้สอนใจว่าอย่าไปคิดแบบนี้เอาคิดไม่ดีอย่าไปคิดเหมือนแล้วก็หยุดมันด้วยการใช้คําบริกรรมคุ้นทอุ้นทอไปเอามันคิดไม่ดีลรากุ้นทอุ้นทอไปเหมันเจ้าค่ะแล้วก็มีสงสัยเรื่องเหมือนทุกขเวทนาทางใจเจ้าค่ะ ต่างจากทุกในอริยสัจยังไงเจ้าคะเาทุกทางใจอริยสัจเป็นเดียวกันทุกที่เกิดจากความอยากอยากอยากได้นั่นนั่ี่แล้วไม่ได้ก็เสียใจทุกใจเนี่ยทุกภายในอริยสัจ ต, ต่างจากทุกทางร่างกายเวลาปวดหัวตัวร้อนนี่เป็นทุกทางร่างกายพราะเราเรื่องกันเพราะเรายากกันคือทุกขเวทนาคือเป็นทางร่างกายทางร่างกาย ทุกในอนิจจสัตว์เป็นทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากความโกรธความโลภความโกรธความหลงมันทําให้เราทุกข์แล้วอย่างความเศร้าอะไรอย่างนก็เหมือนกันง่ายเศร้าเพราะเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปพอเสียไปก็เศร้าแล้วความเบื่ออะไรอย่างนี้คือยังไงก็เหมือนกันเพราะความอยากไม่เฮฮาปาร์ตี้พอไม่มีไกรเฮฮปาร์ตีก็เบื่ออยู่คนเดียวก็เบื่อเจ้าค่ะแล้วก็มี ที่เรียบสมาธิหัวตอแปลว่าอะไรเจ้าคะ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้ไม่แน่ไม่หมายว่าเรไม่ต้องไปถางการพูดงูเรา ไ, ไ, าดดไม่เคยเจ้าคะ่ะหมดแล้วยังหมดแล้วเจ้าคะ่ะโอเคอ่าทำต่อไปอ่ะจะทําต่อไปหรืยเปล่อยากทํ า, า, อ, ย า, ทาอยู่เจ้าคะ่ะอ่าทําต่อไปนะมาถูกทางนะพี่นี้ต้องทํำบ่อยๆให้มันชํานาญให้มันฉลาดขึ้นนะ ทำไม่ได้เนีมันจะเข้าใจมากขึ้ น, นเข้ารู้มากขึ้นไปเจาากกต้องฝึกให้ชมนานทําพื่ให้มันสงบทําพื่ให้มันเน้นนะเจ้าค่ะโอเคกล่าวขอบคุณเจ้าค่ะ ข, ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเ จ, าจ้าค่ะเป็นท่านรัฐกรเชิเป็นท่า น, น, นกรอยู่ที่ไหนอ่าปรวัต ก, การครับพระอาจารย์อยู่นครศรีธรรมราชครับ อ, อมีอะไรไหมวันนี้ ก็มีเรื่องสอบถามพระอาจารย์หนครับก็ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็ก็เร่งพัฒเร่งความเพียรครับปฏิบัติอานาปัญสติจนเอ่อเห็นจิตมันเกิดดับไวมากครับแล้วอยากจะสอบถามพระอาจารย์ครับว่าในอันนี้คือถูกต้องแล้วหรือเปล่าครับในสิ่งที่เห็นอยู่เออไม่ถูกหรอกเราต้องการให้จิตมันเิ่งมันว่างมากกว่า<ช>ถ้ามันยังเห็นอะไรอยู่ก็อย่าไปสนใจพยายาม ดูลมต่อไปครับเวลา<ม>ปรากฏขึ้นมา ก, ก็ไม่ต้องไปสนใจให้ดูลมไปจะปิดจะเล่น จ, นจะสงบจะว่างอืมครับเพราะสิ่งที่ปรากฏมามันก็อาจจะเป็นเป็นเป็นของเป็นเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมามันมีสาระไปอยู่อะไรครับ คือก็ให้อยู่กับลมตลอดเวลาแบบนั้นนะใ ช, ใช่เวลานั่งสมาธิให้อยู่กับลมอย่างเดียวถ้าจะมีอะไรปรากฏให้เรผู้กบเพียบไปสนใจเนี่ยมันจะเสียสมาธิมันข้าสมาธิไม่ได้ครับโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีนะรครับโอเคเป็นไปที่ท่านต่อไปเลยมันซันนี่แบอกรุงเทพกล่าวลาวสักการะพระอาจารย์ วันนี้ไม่มีคําถามค่ะมาร่วงฟังค่ะโอเคเห็นไปเลคุณนโมนโมกอธรมรสมรค่ะพอาจารย์วันนี้มาส่งกันบ้านค่ะอ่ามาค่ะพระอาจารย์ก็คราวที่แล้วค่ะปะฏิทิศที่แล้วศูนไม่ได้เข้าพอดีว่าลืมแจ้งพระอาจารย์ไปว่ามีไปเข้าค่ายกับที่โรงเรียนค่ะพอาจารย์ไม่เป็นไรเข้ า, ข า, ขา ไ, ได้เข้าเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับพระอาจารย์ตอนไปเข้าค่ายก็ พยายามฝึกปฏิบัติเวลาที่ทำได้ครับอาจารย์แล้วก็ยึดถือคำสอนอาจารย์ที่ว่ามักน้อยสันโดษไม่ต้องคาดหวังอะไรพวกนี้ครับอาจารย์ดีครับทำได้แล้วทำได้ไหมก็โดนเพื่อนแซวเลยครับว่าเหมือนเป็นโลโก้บอยเป็นเด็กว่าเป็นเด็กจากว่ออาเพราะว่าเพราะว่า อ่าทางโรงแรมหรือว่าทางชุมชนเขาจัดอาหารอะไรมาเราก็ไม่บน่นเราก็ทานหมดนั่นแหะเป็นแนวทางของผู้ปฏิบัตนนะิ <c oughs> ไมจ่จู้จี้จุกจิกครับพระอาจารย์แล้ว<ล>เป็นยัดีไหมดีกว่าเป็นจู้จี้จุกจิกไหมอยากกินให้หนั่นกินให้นี่พอไม่ได้ไมันก็จะอารมณ์เสียขึ้นมาได้นะครับพระอาจารย์แล้วก็ตอนไปตั้งอ่า ทำแคมปิ้งอะค่ะพระจารย์แล้วก็ไม่ได้คาดหวังกับเรื่องที่นอนที่อาบน้ําอะไรพวกนี้เราก็มีอะไรก็มีใช้อันนั้นไปเราก็พยายามไม่บ่นครับอาจารย์แล้วก็คิดในแง่บวกเข้าไว้ค่ะพระจารย์แล้วก็มันก็ออกมาได้ดีครับอาจารย์เพราะว่าเราก็ไม่บ่นเลยเพื่อนเขาก็อเมซิ่งกันมากว่าน้โหทําได้อย่างไหนดีเราเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเขาเขาจะได้เรียนแบบเราได้ ครับอาจารย์ตอนไปปีนเขาระลึกถึงตาอาจารย์ครับวันตอนที่ไปปีนเขาอ่ะครับอาจารย์มันฝนตกอยู่ก่อนแล้วประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับอาจารย์แล้วมันยังตกอยู่ต่อเนื่องครับก็ลื่นมากกลัวมากแล้วก็พยายามยึดถือคําสอนพระอาจารย์ครับแล้วก็ตอนที่ลงตรงเนินเขาผมได้ยินเพื่อนฝรั่งเขาพูด Jesus Christ Jesus Christ ผมสวดอิติปิโสครับอาจารย์เหมือนกันเป็นวิธีทำใจค <c oughs> รจับ <c oughs> อาจารย์ก็เพื่อนเพื่อนที่ได้ยินเขาก็คำกันนะครับแต่ในใจเราก็ไม่คำในใจเราก็แบบมันฝึกครับอาจารย์ฝึกไปด้วยพยายามฝึกต่อเนื่องใช่ใจไม่หนึไม่กลัวครับอาจารย์แล้วก็เวลามองคนก็อย่างที่อาจารย์ เน้นย้ำนครับว่าให้พยายามมองเป็นกระดูกมันก็ยังมีได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าบางทีมันก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ยังดีมันไม่มถึงได้บ้าง ก, ก็อย่ังดีทีมองทนไม่ไม่ถึงเลยไม่ถึงได้ทีไรกําลองโครงกระดูกบางคนนั้นคนนี้เลยนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้โครงกระดูกเดินได้ไมีหนังคุ้มหออยู่ปกปิดไว้เท่านี้ ครับอาจารย์บางทีก็ตอนเช้าตื่นมาก็ต้องเปิดบทสวดอาการสามสิบสองครับอาจารย์เพื่อเตือนใจใช่ดีเก่งมากเด็กแล้วขนาดนี้ใช้กรรมฐานเหล่านี้ได้ถือว่าเก่งนะสาธุครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้มีเท่านี้ครับมาพิจารณาร่างกายเรื่องคงกระดกอาการที่สองครับอาจาย์เจ็ครับแต่วันนั้นที่ ไปปีนเขาก็พอนึกถึงคําสอนของพระอาจารย์นะครับก็ลดความกลัวของเราได้บ้างคร่านี้ไม่ใช่ตัวเราทาง ก, กายไม่ใช่ตัวเราของเราคับพระอาจารย์ก็ยึดถือคําสอนพระอาจารย์ครับน้อมไปปฏิบัติครับพระอาจารย์ขอบ <Okay. S 2> พระคุณระอาจารย์ครับรคุณปลงวันอะไรอย่างศรีนาชากรับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ เอวันนี้หนูขออนุญาตเป็นเป็นหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อนะคะอ้าวมีลูกสาวกลับมาค่ะพระอาจารย์สวันนี้ค่ะอ่าเป็นยังไงคิดถึงแม่หรือกลับมาเ ย, ยี่ยมยายค่ะเ อ, อวันอาทิตย์ที่ม่นเกิดยายค่ ะ, อะอเออเป็นยังไงอยู่คนเดียวเหงาใช่ไม่ไม่เหง า, งาค่ะสนุกดีอยู่คนเดียว อ, อยู่ไกลบ้า น, เ, นเที่ยวเที<ๆ>่ยวสะบัดเลยค่ะพระอาจารย์แต่หนูตั้งใจเรียนนะ อ, อย่าให้เสียการเรียนนะค่ะโอเคอมีอะไรไหมมีมีคำถามในโลกไม่มหีหนูมีค่ะว่ะอาจารย์เรื่องยอมหยุดเย็นเจ้าค่ะมันเหมือนจะเป็นอ่าท็อปปิคที่ฮิตมากสำหรับหนูฮะทีเนี้ยหนูก็เรียนกับพระอาจารย์ไปเรื่อยๆค่ะคือยอมยอมจนแบบเหมือนเราอ่ะเดินถอยหลังจนจนตัวเราอ่ะ หลังติดผนังแล้วคะ่ะหรือว่าทําตัวให้ต่ําจนมันแบบต่ํามากแล้วอะจนกระบวนการในการทํางานในแผนกหนูมันเล็ะเทะตุ้มเป๊ะมากเพราะว่าเราก็ไปยอมคนคนนั้นไว้เยอะคะ่ะจนวันเนี้ยคะ่ะมันก็มีเรื่องการถกเถียงกันเพราะว่ามันทําให้กระบวนการงานของหนูเสียอ่าพอเราไปให้คนที่ตัดสินคือเจ้านายเขาตัดสินเนี่ยพอหนูอธิบายไปอ่ะเขาก็ฟังหนูพออีกคนนึงอธิบายเขาไปฟัง คนนั้นอีกคนนึงจนหนูก็บอกว่ายูทูคายแล้วก็ไม่เหมือนมาตรฐาดไม่มีอะไรคะ่ะทีเนี้ยหนูก็มานั่งคิดว่าถ้าเรายอมจนแบบเขาได้ใจแล้วแต่ว่าเรามองว่ากระบวนการทำงานในทางโลกมันไม่ได้ผลเราอาจจะต้องใช้เหตุผลในการที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้มันมันถูกต้องไหมเจ้าคะก็ อ, อยู่ที่ว่ามันเป็นหนาที่ของเราหรือเปล่า ถาไม่ใช่งาถึงเราก็ไม่ต้องไปต่อสู้ของใครปล่อยเขาไปสุดท้ายแล้วหนูก็ต้องยอมปล่อยแล้วหนูก็ต้องบอกเจ้านายว่าหนูก็จะปล่อยแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนี้อีกทุกคนมันต้องรับผิดชอบไม่ใช่หนูรับผิดชอบคนเดียวประมาณนี้แลวจ้าคะการนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันทำความเข้าใจกันจมันไม่มันไม่เกี่ยวว่าเรื่องยอมหยุดเย็นเพี่ยงแต่เรื่องกับการทํางานร่วมกัน ก็ต้องมีละกมีเกณฑ์มีกฎมีกติกาแต่ว่าเราก็จะมีธมรรมะในใจของเราเพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าให้ให้เรามีสติตลอดเวลาถูกต้องไหมเจ้าค่ะก็คือเราอย่าไปใช้อารมณ์กับเขาเราทำงานใช้หลักเหตุผลใช้กฎระเบียบเป็นเป็นแนวทางของการดำเนินการปฏิบัติค่ะค่ะวันนี้วันนี้ก็เลยหนีหนีลามาครึ่งวั น, นะคะ่ะมา มหาสติกับพระพรมนะมาฟังธรรมค่ะอย่าไปใช่ลเอี่ยแซวแพ้ชนะเขาไม่ได้หนูแพ้ตลอดเลยเขาใช้หลักยอมจนจนน้องๆเขาก็แซวบอกว่าเออหนูเป็นพระอะไรเขาบอหนูก็บอกน้องๆแบบนี้แต่เรื่องเรื่องงานเรื่องการก็ต้องใช้หลักเหตุผลพูดกันสู้กันด้วยหลักเหตุผลได้อยอะอือต้ค่ะต้อค่ะแตถ้าใช้เหตุผลแล้วไม่ยอมกต่ก็เราก็หยุดแค่นนเอง ได้ค่ะหนูหนทำอยู่แล้วก็หนูหนูก็คิดว่าหนูไม่ได้ไม่ได้หลุดแต่มันอาจจะมีแบบมันอาจจะมีแบบคิดนิดนิดว่ามันไม่ค่อยอยุติธรรมแค่นี้ค่ะแต่ว่าเราก็ยังเึงนกย่ไปคิดอย่างนั้นที่เป็นเรื่องของเขาเขาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะ เ, เคยมีคนที่เขาเขาเขามีปัญหากับหนูเรื่องเรื่องลูกอะค่ะทีเนี้ยเขาเขาใช้เหมือนเขาจะขอโทษหนูด้วยกัน ด้วยการ ส, ส่งข้อความที่หนูส่งไปหาเขาอะค่ะปีกลับมาให้หนูทางลายซึ่งเขาเข้าใจว่าหนูบล็อกไปแล้วแต่หนูไม่ได้บล็อกหนูก็เลยถามเขาบอกว่ามีอะไรอีกไหมทำไมถึงส่งข้อความมาเขาบอกว่ามันเป็นการแก้กรรมอย่างหนึ่งเราก็ถามว่าไปเอามาจากวัดไหนเขาบอกว่าก็สายวัดตานี่แหละหนูบอกเอ้ยไม่มีนะถ้าสาถ้าสายเนี่ยก็แค่พี่ก็ส่งสติ๊กเกอร์สวัสดี วันจันทร์วันอังคารวันเพื่อหัดสุขเสาร์อาทิตย์มาให้หนูแค่นี้เองเลยะคะ่ะก็ตอนแรกก็เหมือนจะกโกรธแต่ว่าพอพอคิดไปคิดมาก็ก็เลยขำ ม, มันก็เลยเหมือนกับแบบควบคุมอารมณ์ได้ะค่ะแต่ว่าเขาว่เป็นทุกข์เราไม่เป็นทุกข์โอเคค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ อ, คค อ, อ๋อคุกิษิศอัตมอยังไม่ได้ขึ้นเข า, านาดนั้นนะหาไปไ ห, ไหมา วารสารครับอาจารย์ต้นต้นเดือนไปครับจัดเวลาไว้แล้วครับอาจารย์อวันนี้รบกวนสอบถามพระอาจารย์ครับอสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันคือเป็นสมถะหรือเป็นการเจริญปัญญาครับมั น, มนต้องหลดนีเจริญสติก่อนแล้วก็นั่งสมาธิเ แ, แล้วก็ไปเจริญปัญญาปล่อยวางร่างกายเวทนา ใช่ต่อไปแต่มันไม่ได้ทำทีเดียวพร้อมกันมันทำเป็นเป็นหนักสุดหนันระดับปริญญาตีเท่าเองปริญญาตีก็ฝึกสติไปก่อนนี้การผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึง่งธรรมะน่าจะนานมากๆแล้วผมมีความเข้าใจไปว่าสติประฐานสี่เป็นการเจริญสติอย่างเรื่องกายก็คือให้ดูกายมีสติอยู่กับการเคลื่อนที่ของร่างกาย มันมีหลายเรื่องในกันเรื่องสติ ก, ก็มีเรื่องปัญญาก็มีมันดูได้ทั้งสองสองทางเลยใช่ไหมมันได้แต่มันไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะดูตอนนี้ตอนเรื่องตอนเราเอาสติอย่างเดียวก่นครับ ต, ตอน เ, อเมื่อตอนบ่ายเมื่อ เ, อเอช้า ว, วิ่งอยู่ครับแล้วก็เกิดพิจารณาเรื่องสติปัฏฐานสี่แล้วตอนบ่ายก็มีคลิปขล่องผ้าจารย์เล่นขึ้นมาครับที่คุยกับคุณหมอวีเรื่องสติปัฏฐานสี่ ก็เลยตั้งใจฟังมากๆก็เข้าใจตามที่อาจารย์เน้นสอนก็เลยคิดว่าอ่าจะต้องเจริญสติให้ถึงอุเบกขาก่อนเพื่ อ, อที่พอพิจารณาร่างกายแล้วปล่อยวางมันได้พอแล้วก็ไปเวทนาไปจิตโดยใช้เป็นตัวพิจารณาก็จะออกไปในแนวทางของการเจริญปัญญา<ช>แต่ไม่ใช่เอาสติไปจดจ่ออยู่กับตัวจิต เรานะว่าจิตเรากำลังไม่ใช่ไม่ใช่กำลังสติเราใช้ร่างกายใช้ลมหายใจผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยครับว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แต่ <c oughs> แต่เขาไม่ได้ใช้ปฏิบัติด้วยวิธีแบบนั้นนะครับผมก็ใช้พุโทโธขับฮ า, าบนาปนสติในการเจริญสติเพื่อให้เกิดรุเบกขามาเรื่อยๆ <c oughs> แต่ทีนี้พอมาฟังพระอาจารย์แล้วเข้าใจว่าโอ้โหนี้ผมเข้าใจผิดมานานมากๆเลย ครับอีกคำถามหนึ่งครับพระอาจารย์ครับเอ่ อ, อ, อ, อ, อสติปฐานสี่นี่ไม่ใช่อยู่ในกรรมฐานสี่สิบใช่ไหยครับก็สติปทานสี่มันเป็นพระสูตรที่พระเจ้าแสดงแล้วสิ่งที่ั่านมาแสดงมันก็มีบรรจุไว้ในกรรมฐานอนาปนาสติก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบกายกตาสติก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบอสุภาษิตก็เป็นกรรมฐานอยู่ในกรรมฐานด้วย อืมอืครับแต่ถ้าไม่ได้เอาทั้งสี่สิบอย่างมาสแสดงไว้ในสนนนนติปัฏฐานทั้งหมดอืครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรรมฐานสี่สิบกองอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเป็นออุปกรณ์ในการชใช่พังสติกับพนันปัญญาเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนอืมชอบพุทธานสนติแล้วก็จะรับพุโทโธพุโธรแล ว, ส, ว e ส่วนเอทีปีเซลไปอ ถ้าามานั้นสติกันแล้วถึงความใจเลื่อยๆถ้าอย่างยกตัวอย่างเรื่องจิตเนี่ยถ้าเกิดเป็นในการเจริญกรรมฐานนี้เราพิจารณาอย่างไรครับถ้าเราฟังเยี่ยมันกลายอย่างไปคุณพูดตอนนี้ไม่รู้เรนนื่องต้องพิจารณาร่างกายให้ได้ผ่านนั่งกายผ่านเวิทนาไปให้ได้ก่อนถึงจะเข้าถึงตัวจิตได้โอเป็นลําดับขั้นไปเหมือนที่ทใช่เหมือนเรียนปริญญาระดับจิตเป็นปริญญาเอกนะโอ้ค่ะ เข้าใจแลนะครับเรานนั่งกายได้ก่อนปล่อยวางนั่งกายให้ได้ก่อนอืมแล้าไปปล่อยวางความเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วท่อนก็ไปไ ป, ไ ป, ไปพิจารณาอารมณ์จิตมันคือเครื่องของอารมณ์อ่ะอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์เครียดอารมณ์ไม่ตอบตารวนเนี่ยนะครับต้อง เ, เข้าใจธรรมชาติของมัน คล้ายๆกับขันยวไปตามลําดับสัญโยต้นๆของมังนี้นใช่ไหมใช่มันตามลําดับของสัญญโยนะคำคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับอ่อานหนังสือเจอมาว่าอย่างพิจารณากรรมฐานบางกองเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดอริย ญ, ญาได้ น, น, นี่จริงไหมครับจริงครรบคำถ่านก็มีไว้เพื่อให้จิตสงบ นี่ถ้าจิตสงบแล้วถ้าเราเป็นจิตที่มีมีมีวาสนาทางอภิญญามันก็จะเกิดขึ้นเอืงถ้าไม่มีมันก็ไม่เกิดเพราะที่จะมีบัตอภิญญานี่มีแค่ร้อยละห้าคนเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะยไม่มีแล้วก็ไม่มีประโยชน์อภิญญาก็ไม่มีประโยชน์ต่อมากผลไม่ผ่านอย่าไปสนใจมันจะดีกว่าถ้าไปสนใจไปไปติดมาแล้วก็าจะ จะลลงถามจะกลายเป็นพระเทวทัตไปอืมครับครับพอใจนะพอใจแล้วครับขอบพระคุณสามทุศสามสุคุณมาลีเชิญมาลีพุทธากาศมงภูทองพุทธากาศค่ะกลับหลวงพ่อคะ่ะหลว ง, งพ่อค่ะวันนี้หนูก็ไม่ได้มีคำถามอะไรมากค่ะเพียงแต่ว่าจะรายงานว่า หนูรู้สึกว่าหนูมาปฏิบัติแล้วก็มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวอย่างเหมือนโน้มน้าวให้ตอนเนี้ยแม่กับญาติน่ะเขาจะไปปฏิบัติที่วัดอย่างไงคะหลวงพ่อใช่แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ต้องสอนกันด้วยปากสอนด้วยการกระทำนั่นดีที่สุดใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็มาถามหนูว่าเขาจะไปอยู่วัดนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าแม่ไปเลย ตอนเนี้ยถ้ามีโอกาสหรือว่าว่างไม่ติดอะไรอะ่ะควรจะไปเลยเพราะเวลามันจะหมดแล้วอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ทีนี้เขาก็เลยชวนกันชวนกันไปทั้งหนา้าทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไป uh huh. เนี่ยเสาเนี้ยค่ะเสารสาร์อาทิตย์กันสามวันเนี้ยค่ะนหนูเลยรู้สึกเออเริ่มแบบมามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอต้นเดือนต้นเดือนธันวาเ น, นี้ยค่ะหนูก็จะไปจะไปไปอยู่วัด วัดป่าค่ะแล้วก็ตอนสิ้นเดือนสามสิบจนถึงปีใหม่อ่ะค่ะหนูก็จะไปไปวัดป่าแต่ทีเนี้ยหนูเขาบอกว่ามันที่มันน่ากลัวมากค่ะเพรหนูยังไม่ไม่เคยไม่เคยก็ไปดูเลยมันน่ากลัวอ่ะบางทีน่ากลัวสาหรับเขาอาจจะไม่ใช่น่ากลัวสำหรับเราไม่ได้เขาบอกว่าใจครับใจอ่อนมันแทงมันนิดหน่อยก็น่ากลัวไปหมดนะ เขาหนูไปคนละวัดกับแม่กับญาตนะคะไป <Yeah. S 2> ไปไปที่โคราดนะคะไม่ต้องไ ป, มปไม่ต้องไปการวันกับอาพูดกับคนอื่นอย่ายไปฟปงูแม่หค่ะต้องไปพิสูจน์ดูว่ามันเป็นจริงอย่าง <c oughs> ที่เขาพูดหรือเปล่าบางทีก็ว่าเป็นเสือทีก็มาเจออนนี้ก็แคเป็นแค่แมวนั่นเน <c oughs> องพอเขาบอกว่าที่พักอะดูแบบ กลางป่าแล้วก็ที่ที่วัดเนี้ยค่ะเป็นที่เป็นพันฝอพันไร่เลยค่ะแล้วก็ตามทางก็ไม่มีไฟเลยอย่างเงี้ยค่ะเ ร, เราต้องการอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ก็ต้องการแต่หนูไม่คิดว่ามันจะรุนแรง <c oughs> แบบเราต้องทดสอบปฏิบัติมาถึงขั้นนี้เร า, เราต้องเราต้องสนามสอบแล้วนยอยู่แต่ในบ้านยกแต่กระสอบซรไม่รู้ว่าจะจะชนะจริงไม่จริงมันน้องขึ้นเวทีแล้วค่ะ อันนี้จะเขาบอกน่ากลัวกว่าที่เขาชี อ, อีโออีนะคะหนูก็เลยก็ดียิ่งน่ากลัวทั้ายน่างิาางดีแล้วรู้แลรู้รอบไปหนูบอกโอ้โ oh, รุนแรงมากเลยคราวนี้ยหนูไปมปัญญา <c oughs> ปัญญามีจริงหรืเปล่าเห็นตายรักหรืเปล่าเห็นนันิจังหรอือเปล่าเห็น น, นันนาตาหรอือเปล่าอ่าเสียงหายไป ไ, ไปไม่ได้ไปทําอะไรครับเสียงหุดตายไม่ได้ยินเสียง อามาละขาดขาดหาหายสัญญาไม่ดีคับอ่ามาละอันนี้ได้ยินหนูไหมคะอ่าได้ยินและเขาบอกห้องน้ําก็ไม่ได้อยู่ในที่พักต้องออกมาข้ากก็สมัยพัฒนาการก็มีห้องน้ำที่ไหนนะถ้ฉี่มาน้องไหนก็ได้คนเดียวไปกลัวเลยคนคนที่เขาเคยไปเขาบอกว่าน่ากลัวมากอะไรเงี้ยค่ะเนอะก็น่าะัก็เลยน่าลักคือสนามสอบไง อยากจะสอจะยังรู้ว่าสอบผ่านไม่ผ่านก็ต้องลงสนามนั่นแล้วแล้วเรื่องเรื่องอาหารอาหารการกินก็จะมือเดียวใช่ป่ะคะแล้วก็น้อยสันโดษน้อยสะนโดษยินดีตอนมีดาวเกิดจะเป็นอาหารที่แบบว่ากินอะไรไม่ได้ก็อดไปอะไรก็น่ากินข้าวเปลอะไรก็น่าไม่กลัวอะไรประมาณนั้นนี่ค่ะหลวงพ่อหรือว่าโอ้โหข้าวเนี้ยของสทยจะจะจะเยอะข้าหลวงหนึ่ ต้ก็ปฏิบัตนมันต้องด่าแล้วเนไม่ไม่ไม่ไม่เจอของจริงทัาทีเพราะอันเนี้ยเขาบอกมันรุนแรงหนูเลยจะรอดไหมก็ไปดูถึงจะรู้ลอดไม่รอดแล้วเรไปดูไม่ขึ้นไม่ทีก็ยังไม่รู้คดูเสายจะอยู่สักกี่กี่กี่กี่ยกชตอดห้ายกหรือเปล่าเพราะว่าได้ยกหนึ่งก็ยกทงขาวพอกลับบ้านนะหนูหนูเลยนึกถึงหมอบอกว่าเนี่ย ได้ขึ้นทางด่วนในคราวนี้แบบอย่างแรงๆดีไปต่อไปเถิดไม่ต้องกลัวแร้วนัปฏิบัติไม่มีความกลัวที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำลายมันให้ได้ข้าหลวงพ่อยอมตายถ้าอยากยอมทุกข์ถ้าอยากยอมเจ็บถ้าอยากแล้วมันความกลัวมันก็จะหมดไปเองข้าหลวงพ่อวันนี้หนูก็รักพ้นนิพพานอยู่ฟ้าตายเขาใช่ไหมค่ะ อยากจะไปนิพพานต้องผ่านความตายไปให้ได้ต้องเดินมาครึ่งข้อทางแล้วหนูต้องพยายามไปให้ถึงให้ถึงนะคะหลวงพ่อถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้อ ง, ต, องต้องเจอความตายเรื่อความยากลำบากน ะ, ะค่ะหลวงพ่อคะแล้วพอดีวันนี้บัง เ, เอิญอีกค่ะไปเห็นเห็นเขาเห็นเห็ น, เ ห, น, เ, หนเหมือนภาพสดนะคะที่เขาเผาเผาศพคนนะคะแล้ว แล้วทีเนี้ยเขาก็ซูมเข้าไปใกล้ๆหนูหนูเห็นเอ่อเรียงอะไรของเหลวมันสมองอะไรเงี้ยหยดหนูอ่ะไม่เคยไม่เคยเห็นเลยก็ข อ, ของเราก็มีอยู่ไม่ใช่นะยังไม่เคยเห็นแบบองเ ข, ของเราไม่มันต่างกันตรงไหนเลยมันมันสดสดแบบก็ดีที่ได้เห็นว่าของเราก็เป็นอย่างนี้นะไปย้อนกลับมันไม่ได้กลัวแต่มันมีความรู้สึกที่ในใจหนูคิดอ่ะมันมันคิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นแบบนี้ ตอนที่เขาที่เขาหยดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วจริงๆแล้วควรจะพิจารณายังไงคะหลวงพ่อถ้าเราเห็นก็พิจารณาตามคามเป็นจริงของเขาว่าเราต่างกันตรงไหนหรือเไม่ก็ไม่ได้ต่างกันเพียงเพียงแต่หนูคิดว่าเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกต้องะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะค่ะโอหลวงพ่อหนูไม่เคยเห็นแบบสดๆอย่างเนี้เลยได้เห็นแล้วจากนีเลยรู้ว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อ แต่ด้ไม่ไปหลงไหนกับการช่วยงานของ ร, ร่างกายหนูพอเห็นอย่างเงี้ยหนูนึกถึงแล้วอาหารกับสิ่งที่เรากินเข้าไปไปอยู่ในร่างกายพอถึงเวลามันก็ถูกเผาถูกเผาถูกเผ า, าเป็นที่เท่าเป็นอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูจะนึกนึกแบบเนี้ยค่ะอ่าตัวอย่างเนี้การเาป็นขี่เท่านั่นเองข่าหลวงพ่อเนือ้อแตเสร็จก็ดูข่าหลวงพ่อเห็นดนะ ข, ข่าห<อ>ลว<ๆ>งพ่ อ, ไไอไไขอบข้อความนึกแบบวันนึกแบบวัย หนูนึกถึงหลงพ่อาลอดว่าเนี่ยยังไม icas, ่ได uh, so ้ขึ้นทางด่วนนะอะไรอย่างเงี <t um> <t um ้ยค่ะแล้วพอพอมาถึงเวลาแล้วอ่พอมาเจอเนี่ยเขาบอกมาว่ามันน่ากลัวนะอ่ะก็ต้องไปสอบดูค่ะไม่ใช่สองจิตสองใจนะจะไปไม่ไม่ค่ะหนูสมัครสมัครไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลวงพ่อเอไปงานบฏิบัติตบุญตาบอกต้องเป็นนักสู้นะไม่ใช่นักถอยไม่นักหลอกแม่นะต้องเป็นนักลบเนี่ยเป็นนักลบนะ ข้าหลวงพ่อถามขอบคุณหลองพ่อค่ะ <c oughs> โอเคสาธูค่ะอ่อาคุณชายาอิตคุณหน่อยเป็นยังไงบ้างบ้างน้อยสำรวจได้ไหรือยังอืม <c oughs> ถ้าจารย์ได้ก็ทำได้อาทิตย์ละวันนะเจ้าค่ะวันเดียวฮะอีกอีกสองวันยังเพิ่มเฟื่อยอยู่นะเจ้าค่ะ คือคอ่าอาจารย์เจ้าคะคือที่จริงอ่ะไหนตั้งใจจะปฏิบัติทำที่บ้านมาโดยตลอดนะเจ้าคะไหนไหนว่ามันเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเจ้าคะเป็นกิเลสมากกว่าเลยไปคิดว่ามันเป็นวิบากกรรมเลยมันเป็นกิเลสทั้งนั้นอ่ะคืออ่าตอนแรกอย่างที่ไหนก็จะเล่าเหมือนป ร, ประมาณว่าเล่าชีวิตเลยละเจ้าคะ คือก็เลยจช้านๆเนาะช้านๆเวลาไม่ค่อให้พระอาาแนะแนะว่าจะต้องทำยังไงดีคือตอนแรกตั้งใจจะปฏิบัติโดยการที่แบบแยกกับสามีเขาก็จะไปทำงานแล้วไหนก็จะปฏิบัติแต่ตอนนี้ก็เปลายเป็นว่า work work and home ตอนโควิดพอ work โควิดหายก็เป็น work anywhere ก็คือว่าทำได้ทุกที่ก็คือเขาก็จะทำจากที่บ้าน แล้วทีนี้ยห้องที่บ้านน่ะมันมีห้องว่างอยู่ห้องนึงก็คือห้องนี้แล้วเป็นไหนจะใช้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็คือว่า ก, ากักตัวเองอยู่ในห้องอะ่ะเจ้าค่ะแล้วทีนี้ที่บ้านก็รับแมวมาอีกหนึ่งตัวแล้วมันก็ไม่มันไม่ดีกันกับแมวที่มีอยู่แล้วเจ้าค่ะแล้วกลายเป็นว่าห้องนี้ก็ต้องให้แมวไปแล้วไหนก็ไม่มีที่เลยเจ้าค่ะตอนเนี้ยก็เป็นเรื่องของกิเลสเราเองนะี เราไปใจอ่อนทำไงเอาทำไมก็เอาไปปล่อยที่อื่นนี่ให้มันอยู่กันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันกัดกันตายไปเป็นเนื้องับของมันได้ทาไม่ได้เจ้าค่ ะ, ะต้องปล่อยถ้าอย่างนั้นก็ต้องอดูแลตามมาละก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เราก็ต้องดูถึงตัวเราด้วยไอ้นี่เรามันเลิมันจ้นคอยหาโอกาสอยู่แล้ว ใช่เจ้าค่ะรอโดออโอกาสแล้วดีใจว่ายกให้มไปนะกูจะได้ไม่ต้งปฏิบัติคือแมวอีกตัวหนึ่งเนี่ย่วันจันทร์ที่ผ่านมาหน่อยเคยปล่อยด้วยกันแล้วจค่ะแล้วทีนี้โดนกัดเจ้าค่ะคือหน่อยเนี่ยโดนกัดเพราะหน่อยเป็นคนห้ามถ้าไปหาหมอก็คงได้เย็บแต่ว่าหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้เจ็บเจ็บค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปหาหมออะไร ก็ยังทําใจไม่ได้จ้าสงสารก็อยู่กันไปกอดกแล้วกันนน ะ, ะยังไงได้แล้ ว, วค่ะเข้มแข็งพเจ้าค่ะแต่ก็ได้อาทิตย์ละวันเจ้าค่ะโอเคก็อย่าไปโทษใจถนะ้า ไ, ไปไม่ถึงไหนก็อย่าไปโทษทางโทษโทษที่ตัวเราเราไม่ไปเองต้องใจแข็งใช่ไหมเจ้าค่ะ อ, อใช่เขมแข็ ง, ขงต้องตัดให้ได้ทุกอย่างเจ้าค่ะ วันนี้ไม่มีอะไรแล้วจ้ะค่ะโ okay. อเคถ้าทุกอาจารย์สายที่ต่ออันนี้อยู่ขวัญแก่นนะกลับนมัสการพระอาจารย์โตค่ะวันนี้อยู่ขวัญแก่นค่ ะ, มะ ไ, ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เข้ามากล่าวพระอาจารย์แล้วก็ฟังทุกท่านค่ะวันนี้สิบแปดลันสิบหกวันสิบห้าวันนี้ศิบหกค่ะพระอาจารย์ อย่างตาสินหกค่ะเมื่อเมื่อเมื่อชาวได้คุยกับพี่ที่มาพักอยู่ที่คอนโดด้วยกันค่ะพระอาจารย์ <S <S <ม>ได้คุยเรื่องการถือสินไอนอนพื้นของเราแกมีพี่สาวเป็นมะเร็งค่ะพระอาจารย์แล้วก็ดูมีความทุกข์แล้วก็ตัวแกเองก็มีลูกชายอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วแกต้องอยู่คนเดียวก็เลยเล่าเรื่องการปฏิบัติของเราแล้วแกก็เลยว่าอ๋อแกได้เรียนรู้อะไรจากเรา หลายอย่างอยู่ค่ะพระอาจารย์ว่าที่เราได้เตรียมตัวเผื่อเผื่อในอนาคตเตรียมตัวในการที่จะจะเจอความทุกข์ตอนที่จะตายอะไรเ ง, งี้ยค่ะพระอาจารย์ได้แชร์ว่าเราทําอะไรบ้างแกก็เลยบอก อ, อ๋อแ ก, ก็กได้เรียนรู้แล้วแกจะเอาไปทําบ้างค่ะพระอาจารย์ไดี่ค่ะเป็นการให้ธรรมทานชนะสารให้ทํางปวงค่ะโอเคไม่มี <ๆ S 1> รนะ วันนี้ไม่มีค่ะพระอาจารย์เข้ามาฟังพระอาจารย์ค่ะย้ที่คนเทรนทอน USA กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ <ừ> วันนี้เลื่องในโอกาส thanksgiving ของที่นี่ยงก็เลยเท่ามากราบขอบพระคุณยิงแตงโมยังยังไม่ตอนนี้ยังเช้าอยู่น้อกินตามบ่ายเอาวันพรุ่งนี้เช้าเจ้าค่ะพระอาจารย์ยงก็ก็เตรียมเตรียมเตรียมอยู่ค่ะพระอาจารย์ เตรียมทำพรุ่งนี้ค่ะทําก่งวง่วงค่ะก็พอดีลูกก็หยุดเรียนได้อยู่กันสองคนแม่ลูกอยู่กันสองคนค่ะเพื่อนมาล่วงด้วยนะโยมพยายามชวนจิ๊บมาเราค่ะแต่ว่าเขามีที่เขามีที่หมายที่อื่นค่ะพระอาจาย์หาพระอาจารย์แต่ว่าทําทีหนึ่งก็อยู่ได้หลายหลายอาทิตย์บางทีอาจจะอยู่ได้ปีหน้าเก็บฟรีซเอาไวะค่ะ ก็ส่วนเอ่อก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ที่คอยสั่งสมสั่งสอนโยมมาตลอดโยมรู้สึกว่าจิตใจมันสงบมากขึ้นไม่ได้อยากได้อยากมีอยากเป็นเรื่องการงานก็หาทางแต่ว่าจะทํายังไงให้เราเกษียณได้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอยากจะไปซื้ออะไร Black Friday ก็ไม่ได้อยากได้อะไรก็รู้สึกว่าไม่ได้อยาก ซื้อเท่าที่จำเป็นก็แล้วกันอะไรจำเป็นต้องซื้อก็ซื้อค่ะค่ะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโยมก็มีข้อสอบบททดสอบมีคนรู้จักเขาก็ไม่พอใจโ ย, ยมแต่โยมคิดว่าการใช้ชีวิตของโยมทุกวันเนี้ยใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันในการตัดสินใจทุกอย่างเราพิจารณาเราว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่อันนี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่าเขาอาจจะไม่พอใจเราเพราะว่า สิ่งที่เราทําอาจจะไม่ได้อยากมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่<ม>เขาต้องการเพราะความของเขาโ<ม>ยมก็เข้าใจว่าเออ<ม>ก็ใช้ล่วงกระทำแปดเราไม่สามารถบังคับไปพอใจเราได้ทุกอย่างแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ผิดศีลผิดธรรมคาพูดของเราอาจจะตรงไปหน่อยทําให้ไม่ขวางหูขวางใจคุณครับแต่แต่โยมก็มานั่งพิจารณาว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้พูดในสิ่งที่ผิดแล้วก็พิจารณาแล้วว่าสติของเราเนี่ยมันสามารถยับยั้งถ้าจะเป็นแต่ก่อนก็อาจจะคิดมากว่าอู้ทําไมคนนั้นคนนี้พูดกับเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อพิจารณาแล้วเราเห็นว่าอ๋อเวลาที่เขามาโกรธเราหรือว่าทําให้เราไม่พอใจใจของเราเนี่ยมันไปคิดและไอความคิดนี่แหละมันทําให้เราฟฝงสัง้นตราบใดที่เรามีสติมาหยุดมันมันก็ไม่ได้หยุดได้ทันทีอะค่ะพระอาจารย์แต่มัน แต่มันหยุดได้เร็วขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มานั่งกังวลกับใครอะไรยังไงมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่ามันอยู่ที่คามคิดเราทำมันอยู่ความคิดแล้วปัญหามหมดไปใช่ค่ะเราเอาเราเอาเวลา 80% ในชีวิตมานั่งกังวลว่าโอ้ทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราเอาเวลาแค่ 20% มาพิจารณาวิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็ลงมือปฏิบัติพอเราทําได้ปุ๊บมันก็จบปัญหามันก็จบแล้วมันก็ไม่มี มันมันก็เท่านั้นเองมันก็มันก็พิจารณาตามความเป็นนั้วมันก็แค่นั้นเองแล้วมันก็ไม่มีทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างเงี้ใช่ค่ะพระอาจารย์ยมก็เลยปล่อยถ้าใครจะไม่พอใจเพราะเราพูดความจริงเราก็ต้องปล่อยแล้วเราก็แล้วเราก็ใช้ธรรมะของเราแล้วก็ปฏิบัติถึงนาต่อไปอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีสติขึ้นมีกําลังอุเบกขาไม่กังวลกับเรื่องราวต่างๆ มากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็ยอมรับสิ่งที่คนอื่นเขาเป็น อ, อมากขึ้นนะคะก็ทุกอยา่างค่ะแล้วโยมก็ยังปฏิบัติต่อไปค่ะมันยังมีลม้มลุกคุกคานบ้างแต่ก็ไม่ถอยะะอ่ะค่ะถ้าโยามอยู่เมืองยโยมก็จะไปเข้าวัดเหมือนกันค่ะจะไปลองดูว่าเม่ใชไม่ใช่ก<ช>ิ น, นอานหารต่างๆนะอยู่มืองนี้ไป <c oughs> เจออาหารต่างๆรลยวัดเลย อาจจะช่วงๆๆ <c oughs> แรกแล้วแตแล้วพอจะพอมีสติกลับมาเราก็ต้องรู้แล้วว่าเหมือนเหมือนเหมือนในใจลึกๆมันรู้อะค่ะว่าเราจะหลงไปไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงกินอาหารในใจลึกๆมันรู้แล้วว่าเดี๋ยวสักพักเราต้องกลับมาปฏิบัติเราเราหยุดไม่ได้อ่ะค่ะ <popularity> <c oughs> เมื่อไหร่เรจะอาหารเยอะเรื่องอาหารอนี่กําลังกําลังคิดกันค่ะไม่งั้นถ้าโยมกับโยมต้องไปปฏิบัติก่อนค่ะก่อนจะไปเจอวันวันไปกินตอนก่อนจะกลับบ้านก่อนจะกลับ งั้นเดี๋ยวไปเริ่มกินแล้วมันจะติดมันจะไม่ไปยามไปอยู่วัาค่ะแต่ก็จะจะพิจรารณาค่ะว่าอาหารเข้าไปแล้วมันก็ต้องออกมาปฏิบัตก็เป็นเค่ยี้ค่ะโยมก็พิจรารณามรณ า, านุสติแบบเป็นก็ทุกวันนะคะพระอาจารย์บางทีเราก็ยอมเราก็อย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราบางเพื่อนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องทํางานหนัก ย, ยุบเท่านั้นเท่านี้ ใจแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยถ้าเราไม่วางแผนล่วงหน้าแล้วเราเราอาจจะตายก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ตายเราก็จะต้องมีแผนรองรับว่าเมื่อถึงอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างเตรียมการในชีวิตซึ่งต้องมีหลายแผนต้องทำหลายแผนยมผักยมยมเริ่มแล้วค่ะอาจารย์ยมยมเพื่อฟังอาจารย์จะได้ไ็นปฏิบัติ่ากลับขอบคุณอารมากนะคะสาจ คนนิสาเชิญันนิสาอยู่ที่ไหนปล่อยไม้พูดได้เลยจ้าสวัสดีพระกับนักการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนจ้า อ, อยู่ที่ LA เวค่ะนี่ค่ะครั้งที่สองแล้วค่ะค่ะอาทิตย์ที่แล้วมาครั้งแรกก็ไม่มีคำถามอะไรค่ะก็ยังล้มลุกคุกคานอยู่ค่ะ อยู่แถวนั้นแล้งเคยถามท่านไหมอ๋ออยู่อยู่อยู่ตรงมิซิตีิปปอะค่ะใกล้ใกล้ไททาวน์อะใก้นก็ก็ใกล้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ใกลมาอยู่ตรงโคเวียนทาวกับคเวอร์ซิตี้ค่ะบีทวียนะคะใช่ค่ะบีทวีนนะคะใช่ค่ะค่ะอยู่ตรงกลางอ่ะค่ะแต่ก็ใกล้ใกล้ใกล้ไทยทาวเหมือนกันนะคะก็ไม่ไกลมากค่ะก็ค่ะ ทำร้านอาหารนะมาทําอะไรอ๋อเคยทําร้านมีร้านอาหารค่ะแล้วก็มีร้านนวดแต่ว่าก็ขายหมดขายไปหมดแล้วค่ะเพราะว่ามีมกียนะก็อยากกําลังกำลังคิดอยู่ค่ะว่าจ ะ, กะเกษียณแต่ว่าคิดว่าคงคงคงไม่กลับไปทําอะค่ะเพราะว่าถ้ากลับไปทําก็ไม่มีเวลาปฏิบัติอคะ่ะก็เลยคิดว่า กำลังคิดว่าจะกลับเมืองที่เคยบอกพระอาจารย์ว่ากําลังจะอาจจะกลับเมืองไทยใช่ใช่ค่ะถ้าคือถ้าไม่กลับเมืองไทยก็ต้องกลับไปทําร้านอาหารเหมือนเดิมอะค่ะแล้วมันก็จะวนกลับมาเหมือนกับไม่มีเวลาที่จะปฏิบตัติอะค่ะเออาปฏิบัติดีกว่าใกลยแก่มากแล้วเอาเวลาปฏิบดีกว่าใช่ใช่ถ้าพอมีพอกินแล้วก็พอเนะ ค่ะ้ก็คิดว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากได้อะไรแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันก็ก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติอะค่ะมันก็จะค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนเริ่มใหม่อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอ น, ต อ, นอยมันก็ต้องมีจุดนะเริ่มต้นเพราเริ่มต้วมันก็ไปามาเนีค่ะคือตอนนี้นี่ก็ใช้พุทธเจเริญสติแบบใช้พุทโธแล้วก็ในระหว่างวันก็ก็มีสติกับพุทโธตลอดเวลาแต่บางทีมันก็ยาก ยากเหมือนกันนะคะที่จะบหม่มัน้องรุกคู่คไปก่อนใช่ใช่ค่ะก็เลยตอนนี้ก็มีแบบดูดูยู u ูบอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนมาแบบลองลองเปลี่ยนมาอ่านหนังสือบ้างก็ดีอะค่ะคือรู้สึกว่ามันเหมือนแบบสติมันจดจ่ออยู่กับหนังสือเหมือนกันนะคะก็เริ่มค่ะเริ่มอ่านประวัติหลวงตาแล้วก็เปิดใจเปิดธรรมมหาเศรษฐีที่แท้จริงแล้วก็ ก็ชอบชอบเหมือนกันค่ะอ่านหนังสือก็ชอบค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบจิตมันจดจ่อมากกว่าที่แบบจะไปดูใน YouTube บางที YouTube มันชอบมีอะไรขึ้นมาให้บว่าให้ออทำให้เราเสียสมาธิใช่ค่ะตอนนี้รู้สึกว่าชอบที่ชอบเปิดใจเปิดธรรมของพระอาจารย์นะคะรู้สึกแบบเออเข้าใจแบบ ป, ประวัตอิต อ, ตอใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเข้าใจว่าเอ๊ะทำไ ม, มพระอาจารย์ถึงออกมาเทศเพราะจริงๆแล้วจากตอนที่อ่านหนังสือของพระอาจารย์มหาเศรษฐีที่แท้จริงดูแบบพระอาจารย์จะดูแบบเหมือนน่าจะเป็นแบบมักน้อยสันโดดแต่จริงๆเข้าใจแล้วเข า, ว, าว่าพระอาจารย์ทำไมถึงออกมาเทศแล้วก็<ม>ค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่นี่มันมี b a c k f r i day ก็ก็ไม่อยากจะได้อะไรแล้วป ก, ปกตินี่อยากจะซื้อค่ะ ค่ะก็ไม่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็คงปฏิบัติต่อไปค่ะพยายามศึกษาไปไเรื่อยๆแล้วจะเกิดความเข้าใจนี้ขึ้นก็จะปฏิบัติได้<ง>ดีขึ้นค่ะค่ะก็เดี๋ยวคงต้องลองต้องศึกษาดู u ูท b e อ่านหนังสือเยอะๆอแล้วก็ถ้ามีคำถามก็เดี๋ยวเข้ามาถามอาจารย์ค่ะนชาทุกเคยมาพูดนะค่ะ อนนี้ที่ยังยังไม่สว่างเนี่ยใช่มสว่อ๋อตอนนี้ตอนนี้เจ็ดโมงเช้าค่ะ PLA เจ็ดมงเช้าค่ะสาก็ดีโอเคนะค่ะกลับกลับขอบคุณผู้จาดการไปเท็กซัสเด้อเพราะอเมริกาสาคนต่อมารวดเลยกลับมามาตรการอาจารย์เจ้าค่ะ ลูไม่มีคําถามเจ้าค่ะวันนี้ขอร่วมฟังเจ้าค่ะแคมสู้ความหนาวอยู่ระเมยปาทิตเตอร์ไ่ไยังไม่เท่าไหร่เจ้าค่ะคือสิบหองศาพออยู่ได้สิบห้าสิบหกพสบายสพอพออยู่ได้เจ้าค่ะเริ่มปรับได้เจ้าค่ะเหมือนอย่างตอนนี้เชียงใหม่ดอยฉนอยก็ถางเนี่ยประมาณสิบห้าอยู่คนก็ไปดูไปสัมผัสความหนาวกันเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้สามีพาเข้าป่าเจ้าค่ะไปแคมป Thank Giving เดี๋ยวเ๋ยวลูกจะเอาเต็นท์ไปด้วยเจ้าค่ะคือเขาเขาเอารถบ้านไปแต่ลูกจะเอาเต็นท์ไปด้วยคือลูกจะไปตั้งเต็นท์ข้างๆรถบ้านเข า, า <laughs> จะได้ไปนั่งสมาธิแยกกันเขาเขาไม่ได้ลงจากรถนอนในรถเลยมีเป็นรถบ้านนะเจ้ค่ะก็ให้เขาอยู่ของเขาไปเดี๋ยวลูกจะได้มีที่นั่งสมาธิเดี๋ยวลูกจะเอาเต็นท์เต็นท์ไปตั้งต่างหาจะได้เป็นนั่งของลูก เลยก็เลยถือโอกาสว่าเวลาไปเดินอะไรอย่างเงี้ยไฮกิ้งก็เดินจงกรมแทนที่จะเดินอยู่ในบ้านเจ้าค่ะก็เ่ินนี่ให้มีสติตลอดเวลาก็าล่ากันนะการปฏิบัติเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าคุณแต่ยาต่าเชิญคุณแต่ย่าต่ตออยู่ที่ไหนกอทมอหรืออ่านวส ก, การครับวันนี้อยู่กอทมอครับอเขับกอไห มีครับมีคําถามสี่คำถามนะครับครับคําถามแรกนะฮะเป็นวิชาการหน่อยคําว่าอุเบกข า, ากาับความเคยชินเน่ยนะครับมันต่างกันไหมครับอย่างอย่างผมยกตัวอย่างครับผมผ ม, ผมจะขออนุญาตยากตัวอย่างนะครับอย่างคนที่เขาเก็บศอกเนี่ยเขาก็เห็น บ, บ่อยๆเขาก็เลยชินแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปเห็นปุ๊บแล้วก็เราอาจจะตกใจนิดหน่อยเนาะแล้วเราก็ทําใจได้เฉยได้ อันไหนถือว่าเป็นอุเบกขาครับก็ความเคยชินมันก็ทําให้มันเป็นการอุเบกขาใช่้ใจเราเฉยๆกับเหตุการณ์ก็แสดงว่ามีอุเบกขาแต่มันเป็นอุเบกขาจากความเคยชินมันไม่มันไม่อุเบกขากับเหตุการณ์ที่ไม่เคยชินแต่ถ้าเราได้อุเบกขาจากสมาธิมันจะอุเบกขากับทุกๆเหตุการณ์เลยมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับอุเบกขาจากสมาธิ ใช่มันจะไม่มันยังมันจะไม่เหมือนกับความเคยชินอ๋อครับเพราะว่าผมเจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือปกติผมก็สงสารแมวอนะ่ะเนาะเห็นแมวมันบาดเจ็บอะไรเนี่ยเห็นครั้งแรกก็วูบผมวูบ ป, ปุ๊บผมก็มาทําใจนิดนึงแล้วก็มองมันเลยไม่ไม่หลองมันเลยแล้วผมก็เฉยได้อันนี้นนถึงเรียกว่าอุเบกขาใช่ไหมครับอันนี้อุเบกขาแบบความเคยชินนะครับครับไม่ไม่ครของผมนี่ก็คือเห็นครั้งแรกเนี่ย ก็ตกใจหน่อยใจเป้าหน่อยแล้วผมก็พยายามมองมันเลยแล้วผมก็คิดแต่เรื่องของไตรั้อะไรไปเนี่ยนะครับพวกโมอลไรไปด้วยยังก็ได้อุเบกขามาจากปัญญาได้อ๋อครับครับแต่าังนั้นความเคยชินก็ถือเป็นอุเบกขาอย่างหนึ่งแต่เกินจากความเคยชินแต่เฉพาะเหตุการเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องครับผมเรื่องที่เราเคยชินมันก็อุเบกขาได้ครับคําถามที่สองนะครับเกี่ยวกับการเจริญสติของผม ที่ผมไม่เรียกว่านั่งสมาธิหรอกก็นั่งสมาธิแล้วผมก็สงบอะนะครับตอนนี้ก็พยายามต่อสู้กับความเจ็บปวดตอนนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ปรากฏมาพักสองสามวันแล้วผมพยายามอยู่กับความปวดหลังอยู่แบบอาจารย์สอนเนี่ยนะครับาตายเป็นตาย เ, เจบบเ็บเป็นเจ็บรับเจ็บเป็นเจ็บมันมีอยู่แวบหนึ่งผมรู้สึกสนุกขึ้นมาทันทีทันใดเลยแต่ลมหายใจผมก็ยังอยู่กับพุโทโธนะครับ แต่มันเหมือนกับว่าปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาแล้วผมก็เผือหัวเราะขึ้นมาครับอันนี้ถือว่าสติหลุดไหมครับในดวงใจเรามาหัใจเรามีความสนใจเราไม่เครียดไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดะครับแต่ความเจ็บปวดผมก็ยังรู้ว่าปวดนะฮะแต่เหมือนกับมันมีความกับมันและไม่ทุกข์กับมันครับมันปรากฏขึ้นมาสามสามครั้งแหละเวลาผมต่อสู้กับเรื่องความเจ็บปวดนี้เอแล้วให้มันเป็นตลอดเวลาให้มันรู้สึกสุขกับความความเจ็บปวด ลำผมผมไม่ควรจะอยู่เฉยๆกับมันใช่ไหมครัคือถ้าอยากยิ้มก็ยิ้มอยากหัวเราะก็หัวเราะแต่หัวเ้อะแบบเบาๆนะครับหวเราะในลําคอก็อย่ถ้ามันมันจะเป็นจะต้องแสดงก็ไม่ต้องแสดงก็ได้แต่ถ้ามันจะจะแสดงก็แสดงไปครับมันหลุดด้วยอัตโนมัตินะฮะสะเกตขึ้นมามครับผมโอเคครับคำถาม ท, ที่สามเกี่ยวกับเรื่องของการเดินจงกลมนะครับมผมมีความคิดว่าการเดินจงกลมเนี่ยก็คือวิธีการหนึ่ง ของการผ่อนคลายความเบื่อล้าหลังจากนั่งสมาธิจนถึงที่สุดแล้วนี่ผมคิดถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนทางร่างกายแต่ทางจิตใจก็เหมือนกันตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วก็ยังไม่สติดูลมมีสติอยู่กับพุทโธต่อไปอ๋อมีครับโอเคคาถามสุดท้ายก็เกี่ยวกับเดินจงกรมอยู่เหมือนกันคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนชอบเดินจงกรมครับเรือจงกรมครับเดินจงกรมเดี๋ยวคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ ชอบออกกาลังกายโดยการเดินแล้วผมก็จะสังเกตสิ่งรอบข้างแล้วผมก็จะมานั่งทบทวนเอ่อเห็นต้นไม้กี่ต้นเห็นคนกี่คนแผน่นหินมีกี่แผน่นผมก็จะนั่งทบทวนไงเพอตอนนี้ผมมาจงกรมปรากฏว่าผมก็มานั่งทบทวนอีกว่าผมเห็นอะไรเปล่าคําถามของผมก็คืออําตอบผมคือไม่เห็นอะไรเลยจําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยมีแต่ความรู้สึกแค่ว่าเดินซ้ายเดินขวาเท้าเหยียบ ลงหายใจเานั้นแหละถูกต้องเลยครับนั่ถูกต้องคือการมีสติอยู่กับการเดินอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งรอบรอบตัวอ๋อครับแต่แม้ว่าผมจะมานั่งทบทวนว่าแผ่นชินมีกี่แผ่นเสามีกี่ต้นผมตอบตัวเองว่าไม่รู้อ่ะไม่จำเป็นต้องรู้เพราะเราเราต้อตงการรู้แต่การการเดินของเราท่านเองพอ อก็ก็ถือเป็นการเดินจงกรมที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเพื่อทําใจให้ว่างไม่ให้ไปคิดครับแล้วผมก็พอเดินเสร็จพอผมเมื่อยผมก็จะมานั่งต่อพอนั่งต่อพอมันเจ็บปวดจนถึงที่สุดก็เดินแล้วผมก็ไปเดินฝั่งนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องนอกจากว่าถ้าอยากจะสู้กับความเจ็บก็ไม่ต้องเดินอยู่ต่อไปนั่งต่อไปแล้วก็ยิ้มยิบกับความเจ็บให้ได้ครับตอนตอนตอนนี้สําหรับ เรื่องเดบชานี่ผมไม่มีความรู้สึกอะไรกับมันแล้วตั้งจนลุกขึ้นมาแล้วทอมขาหายไปเลยแต่ก็ไม่รู้สึกชาต อ, อตอนนี้ตู้หกับเจ็บปวดครับผมครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับรครับจะสนุกกับมันต่อไปอดีดีมากอ่าคุณภูกมกรธรรมภูม ครับน้สักการครับอาจารย์ครับวันนี้มีคําถามหนึ่งคำถามครับแต่ว่าอาจจะถามยากนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับก็เริ่มต้นในการจิตสติครับอาจารย์ครับคือปัจจุบันเนี่ยผมใช้อนาปานสติครับในการดูลมครับผมแล้วก็คือทุกครั้งนะครับเวลาดูลมก็จะลมมันจะเบาในทุกครั้งครับพระอาจารย์ทีนี้เวลาผมมาใช้ชีวิตนลยครับได้คราบที่ว่าผมมาติดดูดูลมหรือเพ่งลมมากครับผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคือว่าลองถอยออกมาแล้ว เหมือนแต่ก่อนเหมือนตัวรู้เรามันจะต้องรู้แค่ลมอย่างเดียวจนมันบางผมเลยเลยมันเป็นผู้ผู้ดูลมแทนนะครับก็รู้สึกว่ามันมันก็เบาไวกว่าตอนที่เราไปเพ่งจนแบบมค่อยๆหยาบแล้วก็จนมัละเอียดอันนี้ตอนที่เราดูลมเนี่ยมันก็มีเหมือนว่าตัวรู้เรามันมีเซนเซอร์เพิ่มครับอาจารย์นั่นหมาว่ามันก็สามารถที่จะดูดูกายได้ด้วยมันก็จะอย่างที่เขาแบบรอเคอยฟังมาคือว่าผมเหมือนเราตั้งชื่อว่าเหมือนยีรรรออนแข็งครับอาจารย์ พอพอพอดูไปผมพยายามเรียนรู้ร่างกายดูลมะแต่ว่าดูปะเบาๆทั้งล่างตายผมรู้สึกว่ามันก็สบายกว่าเยอะเลยแต่ว่าในการใช้ชีวิตประจาวันนะครับแต่เมื่อไรที่ผมฟุ้งซ่าหรือเหนื่อยล้าผมก็จะมาเพียงลมเหมือนเดิมครับอาจารย์แบบนี้มันทําถูกต้องไหยครับอาจารย์คือถ้าเราทำการจทเลสติกนี่เราต้องอยู่กำลังอย่างเดียวอย่าไปสนใจเรื่องอื่นครับอาจารย์ครับทีนี้คือดูความที่ว่าผมมาลองผมลอง ดูลมแล้วก็ดูกายไปเรื่อยๆทีนี้มันมันก็มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเหมือนว่าเวลาเหมือนเราคุ้นเคยคกยับความรู้สึกทั้งร่างกายเราแล้วเวลาที่เราไปสมมติว่าเราไปจับรถรถเราฝนตกเรารู้สึกว่าวัตถุภายนอกมันก็เย็ยนร้อนไม่ต่างกับร่างกายเรามันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเรามันมันไม่ใช่ตัวเราตัวเขามันก็ไม่ใช่ตัวเขามันรู้สึกว่าเรากับเขาไม่ต่างกันผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมเบาขึ้นผมรู้สึกว่าการพิจารณาแบบเนี้ยมันเป็นการปล่อยวางร่างกาย แบบนึงหรือเปล่าครับอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าใจเราไปกังวลกับร่างกายหรือเปล่าถ้าปล่อยวางคงก็ไม่กังวลร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดรอนครับครับคอาจารย์ครับแล้วมันก็จะรู้สึกค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของนี่ยใช่ไหว่าถ้าเวทนาที่เกิดจากการปวดท้องหรือการคันนะครับมันก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่ต่างจากที่เรารู้สึกทางกายครับแล้วก็เมื่อเหมือนว่ามันก็จับได้เรื่อยๆครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามอยู่ที่กายมันเหมืนจะดีที่สุดแล้วครับอาจารย์ ในกันเป็นจมวันนะครับครับโอเคก็อยู่ที่กายไปล้วก็อีกขณาดสุดท้ายครับอาจารย์คืออยากถามว่าเราเนี่ยเหมือนเราเราเกิดมาจุดสูงสุดคือเราพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อเอไม่ยึดมั่นในขันห้าใช่ไหมครับเพื่อไม่ทุกข์กับอะไรเพื่อไม่ทุกข์กับอะไรครับทั้งสัญญาสังขารรูปหมดเลยไม่ทับไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความเจ็บปวด ต่างๆไม่ทุกกับความสูญเสียไม่ท่กกับการพัดพาจากไปไปครับพาจารย์ครับโอเคครับก็วันนี้ถามประมาณนี้ครับอาจารย์ครับโอเคทราบครับคุณสมชายสมชายเป็นไงหนาวมากเลยใส่บอกวันนี้ตอนนี้ยังเจอสนุยังเจอหิมะอยู่เปาแล้วหนาวมา รู้สึกวันนี้จะ40ก็คง10ก็คง7นะฮะผมเคยใส่ก็เลยใส่มาแต่เช้าเลยฮะกับท่านพาอจาย์ครับคือผมมาส่งผมส่งรายงานผมได้ผมได้ฆ่าแลไปสองตัวในเดือนนี้ครับมันมันมันเร็วเกินไปมันก็เลยตายครับแล้วก็สติแล้วชาันเลยมีเรือมาเร็วกว่า อันนี้ขอบท่าอย่างมันคือแล้วผมขอถามว่ า, ากรรมฐานกับเมดิเทชันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับเขาเขากรรมฐานก็คืออ็อบเจกต์ Meditation ันเอย้ต้องมีกรรมฐานถึงจะเมดิเทตได้จะนั่งสมาธินี่งมีกรรมฐานเป็นอารมณ์ถูกใจไว้ เช่นลมหายใจก็ดูลมหายใจก็เนื่อๆก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งอานาปานาสติหรือใช้พุทโธพุทโธพุทโธก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งใ น, นจะนั่งสมาธิต้องมีกรรมฐานกำกับใจได้ยินไหมเข้าใจไหมไม่ดีครับเห็นเห็นท่านอ่าเห็นท่านคนหนึ่งถามว่า ผมมีกรรมฐานแล้วก็ผมก็เลยว่าเอ๊ะมีดิตเทชันนี้ก็จะคอนโทรมายแบบแบบทำให้อ่าพลาเซสินในมายผมก็เลยเอ๊ะมันก็คล้ายๆกันหรือว่านละสเต็กันครับหรือว่าคนละคือภาษาอังกฤษมันแปลไม่ตรงกับความจริงอ่ะใความจริงก็คือการควบคุมใจด้วยสติ ให้อยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งฉันพุโทโธเรื่องหายใจเขาออกครับก็ครับก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็ตีอย่างที่คือที่ที่อเมริกาก็มีวัดนะแต่แต่ถ้าไปแล้วก็ไปแล้วก็นั่ง กเกษแล้วก็ไหวเพราะว่าเสร็จท่านก็ท่านก็ให้ให้ศีหา้าเพอาะศีลห้าเสร็จแล้วก็กลับจะพูดตอบโต้แบบแบบท่านนี้ก็ก็ยากหน่อยแบบนี้ยังเกือแบแบต่ทุกวันแบบนี้ดีครับผมก็แล้วแต่แล้วท่านท่านมีความถนัดทางไห น, ท, ำำ น, นท่านก็ทํากันนั้นท่านไม่ถนัดที่จะคุยสนทนาธรรมแล้วท่านก็ไม่สนทนาด้วย อันนี้เป็นเรื่องของการตรนัดชงแต่ละคนอ๋อครับก็ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พยายามอ่าก็พยายามทำอย่างที่อ่าอย่างที่ท่านได้สอนพยายามหยุดความคิดด้วยสตินะหยุดพุธครับอยอมอยากคิดแจ้งพุโทโธพุทโธไปนะ่านั่งสมาธิให้มันเนิ่ยงนมันสบงบแล้วจะไม่คลาดซึ S <S <S ง่ายๆไม่ต้องรู้อะไรมากมึงแค่นี้ก็พอการปฏิบัติโอเคก็เห็นบางท่านถามเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่บองท่านรบสมากจะผมคือมาตัวเล็กๆมา ก, ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าใจเทลายมากครับอ่าไม่ไม่ทำควาเข้าใจให้เข้าใจแค่แคการทำใจให้สงบพอพอออครับ นะโอเคนะท่านท่านนี้ก่อนนะครับภาษาอังกฤษครับใช่คุณประวิตรจากไอ้จากเ a ลัสแอ็กเซสการการจัประจาวันนี้มีถามพระอาจารย์ก่อนครับตอนนี้คำถามคาตอบคำวาจารย์ที่หนนาทีสองนาทีน้อยลงมากครับไม่ค่อยมีว่าคนทำเขาไม่ค่อยอยากทำแล้วตองไงครับก็มีอยู่นะคราที่เห็นท่านแบ่งไปทำเป็นทางภาษาอังกฤษลองไปดู <ด>อ๋ออ๋อโอเคแต่ไม่<อ> ไ, มไม่ได้ไม่ได้ออกมาทาง Facebook เท่ า, าไหร่ภาษาไทยอ่าบางทีทั้นก็นไปดูในในใน u t u b e ท่านท่านจะทำใ YouTube. นยู u ูบบางท่านเอามาโพสในในเฟซบ o ๊อีกทีนึง f เ c e b o o k มันก็มีสองหน้าหน้าภาษาอังกฤษกับหน้าภาษาไทยอ๋ออ๋ออันนั้นผมไม่ได้เปิดอย่างนั้นดูดูเพราะภาษาไทยจะโผล่ขึ้นมาแต่ว่ารู้สึกว่าน้อยลงมากกับออ บางทีท่านก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดท่านนะครับว่ารู้ว่าท่านเป็นอะไรการใช้เวลาท่านก็อาจจะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามตามตามตาความเหมาะสมของท่านก็แล้วกันนะก็ไม่ได้ติดตามถึเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดใจครับเรียนดูว่าสังเกตว่าน้อยลงเพราะว่าสังเกตดูแล้วก็คําถามมาตอบน้อยลงไอ้ที่หนึ่งนาทีสองนาทีนี่มันเป็นการเตือนสติที่ดีแต่ว่าก็ชอบของวรนอาทิตที่คุณหมอเข้าลงแล้วก็ถามคำตอบที่ว่า มันเป๊ะๆๆๆออกมาแล้วมันสามารถที่จะนึกได้ว่าเอออันนี้เราคุณแก้อันนี้คุณเราไม่แก้อันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่คุณหมอท่านทํามาทิศครับแต่ว่าไอ้จุดประสงค์ผมที่ว่าพระอาจารย์พูดมาหนึ่งนาทีสองนาทีในคําถามที่คุณอาจารย์ตอบเนี่ยมันเป็นการแก้ไขใจของเราให้ดีขึ้นครับก็ดีท่านคนที่ทําให้เขาได้ยินนะั่นเดี๋ยวเขาเขาจะรู้ว่ามีความต้องการตรงไหนเขา่าจะ ทำเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่ตอนนี้เป็นคลิมันยาวคลิปที่ท่านทําทุกวันนี้รู้สึกจะยาวไปนะตอนนี้ตอนนี้ยาวครับแต่ก่อนนี้มีนาทีสองนาทีรู้สึกว่ามันได้ได้ประโยชน์มากขึ้นครับอเข้าใจเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเอามาล้อมแบบปฏิบัติได้แบบอย่างไม่ต้องกังวลพูดได้แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้ฝังเพราะว่าถูกถูกอถูกตำหนิหรืออะไรเงี้ยเพียงแต่เป็นการแสดงออกว่า ทาผู้ฟังต้องการอะไรอยากอยากจะฟังแบบไหนก็โยนเงินคเลยก็ถ้าเจอท่านจะบอกท่านว่าขอบขอขอบคุณแทนด้วยครับขอบคุณขอบคุณแทนด้วยครับอาจารย์างอยากจะฟังพวกสั้นๆตอบคาถามตอบคาถามสั้นๆก็ได้ได้ได้คติดีได้ไคติดีครับได้คติดีแล้วก็มันทําให้เราอ่านแล้วมันมันถ้าวาเปิดไดเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้อะไรมากมายครับอ เพรามันก็เป็นเหมือนน้าน้ําผสมกับเนื้อเนื้อมันแค่มันไม่เยอะหรือเยอะไปเนื้อในเรื่องนั้นนะไม่เป็นไรยินดียินดีรับฟังจะทำดียังไงได้ทางนั้นทางเราทำอะไรก็เป็นดีครับแค่นี้ก็ขอบคุณมากครับอาจารย์แต่ว่าคือการปฏิบัติของเราก็ใช้คําแนะนํานิดๆแน่น้อยที่ว่าอันไหนที่มันตรงกับเราหรือว่าสิ่งที่เราเจอมาแล้วก็รับมาปฏิบัติทำก็ ดีขึ้นนะครับดีทำสั้นๆในการครับตรงประเด็นเลยไม่ต้องฟังก์ครับผมครับผมผมผมชอบอย่างนั้นนะเพราะว่ามันชับชับชับแล้วเราเราสามารถแก้ตัวเองได้ครับคได้ก็เราก็พยายามถ้ไม่ลืมเดี๋ยวเจ้าท่านจะจะจะบอกให้ฟังเดี๋ยวบางทีท่านก็ติดตามดูอยู่ตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวท่านได้ยินท่านก็ขอบขอบขอบการขอบพระคุณด้วยครับที่ทําให้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติ ตัวเองแล้วก็พยายามยอมรับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราแก้ตัวเรากัแล้วก็ันมัห้มันดีขึ้นาตากาศในชีวิตเําเราเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปกำลัดไม่ได้ครับผมเดี๋ยวก็รัก ด, ดีขึ้นครับดีมากเรพยายามปฏิบัติครับแล้วก็ฟังทางนอกทางในบางครั้งก็ไม่ได้เข้ามาการาบพระอาจารย์แต่ว่าก็ฟังอยู่ข้างนอกครับแล้วก็ ก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับก็อนุโมทนากับคนที่อยู่ต่างประเทศเยอะๆครับในอเมริกาในต่างประเทศที่ว่าก็ยังดีใจครับที่เพื่อนในอเมริกาก็ยังสนใจพระอาจารย์อยู่เยอะมากครับ <Okay. S 2> แล้เห็นๆแค่หาหกคนละที่เนี่ยในรูปนี้ก็ดีใ <Okay. S 2> จด้วยครับอื okay. บมโอเคสาธุกาบมาตรการาพระอาจารย์ไม่มีอะไรครับโอเคสาธุไอ okay. ้ที่คุณมาตามาวิมาวิพิสัญโล อาจารย์คาัการมสักการะครับอืมง่ายง่ายเปิดใจปี่โอ๊ชมขอบใจพี่ตัวมิรับติดตามทุกวันอาทิตย์นะคุณคุณตัวมิชานมีถามตอบเยอะอาจารย์เดี๋ยวเดือนหน้าได้โอกาสไปขึ้นเขาแล้วครับขอการได้เวลาแล้วไปสามวันสองคืนนะครับค่ะเลยตามบตชั่นแบตเตอรี่ ครับอาจารย์ครับขอจารมหาเวลาได้ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรครับอาจารย์เช้ามาเจอกันวันอาทิตย์ตามเดิม น, นะเช้าโอเคคนช่างนิสสาจากญ Nexus, ี่ปุ่นได้ยินไมหมได้ยินมีอะไรไหมวันนี้กะผ้าจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะเข้ามากะผ้าจาไนได้เช่ค่ะโอเคสบายดีนะสบายดีค่ะพระอาจารย์โอเคปฏิบัติต่อไปนะ ค่ะช่วงนี้เจริญสติอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่ายังไม่สะดวกค่ะอจริงจริงอาจารย์เกดิสเบอร์เกดิสเบอร์มีข่าวเกดิสเบอร์เมื่อวานให้อ่านเกิดอะไรขึ้นงานวัฒการรค่ะพระอาจารย์ข่าวอะไรหรือเปล่าคะโยมไม่ค่อยได้ตามข่าวเลยค่ะพระอาจารย์ยินดีเมอะไรแับหลังมันจาไม่ได้มไหม มีอะไรนะคะเกียรติส่วนก็ ม, มีมีเหตุการณ์อะไรแบบมีข่าวข่าวอะไรแบบที่คเปยมไ ม, ไ, ไม่ได้ติดต า, าสดใจเลยค่ะยมแบบว่ า, วาคือที่บ้านไม่ได้ติดเคเบิลด้วยเพราะว่าแต่มันจะมีช่องแบบคือเคยติดแล้วก็ไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ดูกีฬาแบบไม่ได้ดูมันคือมันเสียงเงินแล้วมันแพงมากเลยค่ะยมก็เลยแบบเออเราไม่จำเป็นตงยิ่งมีมันก็ยิ่งกิเลสเออต้องติดก็ดีไม่ไม่ดูได้กันดีไม่ติดตามได้กันนี่ ค่ะเพราะว่าโยมมองข่าวที่นี่ตอนนี้เขาก็เน้นเรื่องทรัมป์ที่จะรีรันนะคะ่ะโยมก็เลยโยมก็เออไม่มั น, ม, นมันไม่ถึงกระเปิดแต่ว่ามันก็มองให้เป็นวัฏจักรอะคะ่ะเดี๋ยวก็หน้าหน้าเก่ามาอีกหน้าใหม่มาหน้าเก่าหน้าใหม่มันอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> โยมก็เลยเออเขาจะมาเคกาก็โอเคครั้งแรกเคยผ่านมาได้แล้วนะคะที่สองก็คงผ่านไปได้อีกนะ ไม่ได้ใหญ่จะคิดเยอะเรื่องการเมืองก็อะไรก็ได้ขอให้เราปล อ, อดภัยดปล อ, อดภัยคนเราหลักโอเคอะไรเงี้ยโอเค่าแล้วโยมก็เมื่อวานนิยมแบบสติหลุดมากเลยพระอาจารย์โยมเข้ามายมโยมึนื่าเมื่อวานเป็นวันพูดเพราะว่ามันแบบมันเป็ น, แบบนเทศแบบกาลแตงสกีบ ไ, ไงคะเราโรงเรียนมันก็หยุดอะไรแบบนี้โยมก็แบบสับสนวันไปวมดเมื่อวานโยมก็เข้า กดเข้ามาจอยแล้วแบบเอ๊ะสงสัยคุณบอยมาเรามาส่แนี่เลยคุณบอยไม่เปิดให้เข้ายมก็เทคสลินทอนเทคไปถามสลินทอนทอบอกกลับพระอาจารย์ด้วยนะวันนี้ยมแบบว่าโยมของเขาสายเลยพอมมเอาแล้ ว, ล ว, ลวสลีนทอนขำบอกจี๊บจี๊วันนี้มันวันอังคารนะยม ใช่ถ้าบอกพระอาจารย์วาอกนอีน้เนีน่ยไม่มีสติเห็นไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เลิกเร็วด้วยธรรมดาแก่สองชั่วโมงเท่านั้นเองจบถ้ารำาหลังสองชั่วโมงก็ไม่มีแล้วไม่ยอมยอมดูว่าเป็นภาษาไทยยอมดูว่าเป็น<ด>วันภาษาขับสวนวันเพราะว่ามันมันอยู่ติดติดแล้วลูกก็แบบอะไรอย่างเงี้ยตารางก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบน้อยก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์วันนี้วันช่วงนี้เทศกาลขอบคุณอ่ะ ทางสกิฟฟิของทนิยมก็ขอโอากาสนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะ<แ>ที่สัใจเย็นกับลูกศิษย์คนนี้มากๆากเลยแล้วก็ขอบพระคุณที่พระอาจารย์เมตตาด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะขอให้พระอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดีใจที่ได้เจอพระอาจารย์ค่ะไม่ไปกินข้าวแล้วคุณซาลินท่านเนะขาเชิญไปพรุ่งนี้เพราะว่าจริงๆโยมพระอาจารย์โยมไม่แน่ คือโยมบอกไปกลุ่มหรือไปแล้วแต่จริงใจโยมอะยังทอนใจมันไปบ้านสลินทอนตัวไม่เป็นไรถ้าไม่ engaged ไปแล้วก็ไม่เป็นไรรักษาสัดจ่าไว้โยมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวสลินทอนมีไก่เหลือก็เดี๋ยวตามไปอีกวันนึ่งก็ได้โอเคนะแฮปปี้ทั้งคืน ชิวินคะช่วงนี้โยมก็จะปฏิบัติให้ถีกขึ้นนะคะเริ่มเริ่มนั่งมั่งดีขึ้นแล้วค่ะโอเคพักก่อนนะบ๊ายบายนลังที่คุณธนาพลตอบคุณธนาพลเชิญจำนวัาชการครับอาจารย์มาไม่มีคำถามครับก็มารับฟังครับเแต่ว่าพอพอได้ยินคุณสิรินทรนพูดตะกี้ก็เออก็ก็ก็อนุโมทนาคับกัแกด้วยที่ เหมือนกับว่าเหมือนกับเห็นเป็นอริยสัตว์นะไหมครับว่าพ่าเห็นว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์แล้วก็ไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งนั่นแหมันก็ไปไทําให้ทำให้ทุกข์มันมาก น, นานน่าเหมวอกับจากการปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ใช่ครับ<ม>ก็เ<ม>ขเลยโอเคก็เลยได้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับเวลา<ม>เวลาอกัลยาณมิตรท่านพูดถึงเรื่องอะไรเราก็น้อมเข้ามามาพิจารณาไปอย่างเงี้ยครับครับก็ก็ก็รู้สึกเป็นประโยชน์มากเลยครับ ส่วนตัวเองวันนี้ก็ไม่ได้มีคําถามอ๋อมีอันนึ่งนะครับคือพอดีสองสามวันก่อนมีเพื่อนๆนเนี่ยเขาก็เหมือนกันเขาก็แชร์กันเขาก็พูดถึงเรื่องเรื่องทสชาติชาด ก, ก น, นะครับแล้วก็ในในพาคของเอพระเวสสันดรแล้วก็พยายามจะถกกันว่าเอ้พระเวสสันดรใจร้ายหรือก็แต่บางท่านก็บอกว่าเออมันเป็นภาคของแทนบัณพินบัณฑินเพียรก็คือต้องละทุกอย่างใช่ไหมว่บอกเออถ้าอย่างนั้นเราเค เราอยาไปมองว่าผิดถูกไหมเราก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้การมีครอบครัวมีมีบุตรมีภรรยาเนี่ยมันเป็นบวกมันก็ทําให้มันมันมันขัดกับการที่ว่าจะเป็นเป็นเป็นการปฏิบัติทางทางทางมนัง่ ง, ง, ง, งมันคนทานมันได้ครับเราก็เลยก็เลยมองว่าอถ้าอย่างนั้นเราก็ไปมองตรงจุด คิดว่าเพราะพระพุทธเจ้าเห็นแกนตัวไปบุกใช่ใช่ครับเราไปมองตรงที่จุดที่ว่ามันได้ผลอะไรจากตรงนั้นดีกว่าที่จะไปที่จะไปไปไปเปรียบเทียบว่าอะไรจิตดู ก, กันไหนอะไอย่างเงี้ยครับครับเป็นความคิดชงกิเลสนนใช่ไหมกิเลมันต้องกา ร, รายืดให้เราปลูกพันธุ์ให้ ร, ร่างให้หัวให้หครับเพราะเราจะได้ทุกกันจุดครับเป็แบบกิเลสก็นั่งเล่แบบนี้แหละครับครับครับ เิื่อกี้ตามมาเห็นทุกอยางเป็นทุกข์สลับทิ้งไม่ได้ก็สบายครับถึงจะว่าสุขก็คือทุกข์น้อยอย่างเองยวเอครับอ่าสุขก็คือทุกข์น้อยโอเคครับมีอะไรครับไม่มีครับไม่มีตาไม่อยู่ใช่ไหมเออครับตอนนี้เขาพอดีเขามีติดแล้วจะต้องทํางานอะไรอย่างหนึ่งโอเคไม่เป็นไรทำด้วยนิสัยครับยะไปปฏิบัติที่ไหนละครับพอดีมีงานครับ คุณบอก่ดีเชนบอกว่ดีอยู่ที่ไหนจำไม่ได้แล้วคุณเทพเลย <c oughs> กรบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่สุลินเจ้าค่ะสรินอ้ามันมีอะไรนะวันนี้มีนิดเดียวเจ้าค่ะก็ที่ได้ถามไปถามพระอาจารย์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเจ้าค่ะว่าด้วยความที่เป็นช่วงเปิดเรียนใช่ไหมเจ้าค่ะก็จะมี พาล้างงานเข้ามา ค, ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็เยอะทําให้รู้สึกว่าเราจะต้องรีบนะเจ้าค่ะ mm hmm. ก็ได้นําไปปฏิบัติก็คือให้พระอาจารย์บอกว่ายิ่งรีบยิ่งต้องต้องท่องพุดโธใช่ไหมเจ้าค่ะ mm hmm. แต่ห น, นูหนูหนูมีบางครั้งก็ท่องพุดโธค่ะแต่ว่าบางครั้งหนูก็พยายามดูที่ความรีบอค่ะสมมติว่าเราเราต้องรีบวิ่งหรือไปที่ไหนที่หนึ่งที่แบบให้เร็วที่สุดเนี่ยค่ะก็ ดูที่ความรีดตอนวิ่งนั่นแหละค่ะแบบนี้นะคะให้มีชั่วติอยู่กลารเคลื่อนไหวไปค่ะถึงแม้ว่ามันจะเร็วก็ไม่เป็นไรเรช้าเร็วไม่เป็นไรคอยมีอยู่อยู่มันก็จะไม่ผิดพลาดถ้าเราไม่อยู่กับการเคลื่อนไหวไปคิดถึงเป้าหมายที่จะไปมันอาจจะเดินวิ่งไปชนอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ก็จะมะีเมื่อก่อนเคยเคยคิดว่าถ้าช่วงเวลาทํางานเนี่ยเราจะ จเจริญสติไม่ได้นะนะเจ้าคะแต่ว่าก็ก็ทําในรูปแบบก็คือหลังเลิกเรียนหลังจากที่ไม่ได้เสร็จภาระ ง, งานแล้วก็จะมีการนั่งสมาธิโดยการฟังธรรมนะคะก่อนนอนในทุกๆวันแต่ทีเนี้ยพยายามทําระหว่างวันด้วยนะเจ้าคะ่ะจะมีเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาว่าอยู่ดีๆเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่า เรารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมาเองเลยอย่างเงี้ยนะเจ้าคะ่ะถือว่าเป็นการพัฒนาสติด้วยไหมเจ้าคะ่ะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเราเราพยายามทํำนะเจ้าคะ่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าอยูดีมือเคลื่อนไป เ, เราก็รู้สึกว่ามันเคลื่อนโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องต้องทําต้องจเจริญสตินะเจ้าคะ่ะ อ, อ ม, มันเน่มเป็นนิสัยขึ้นมานะตัวไปบ่อยๆมันก็จะเป็นนิสัยกันนะ ค่ะนั่นหนูจะได้มีกําลังใจทําให้มากขึ้ น, น, นมากขึ้นเจ้าค่ะต่อไปไม่ต้องบังคับมัน ม, มันจะอยู่กับการเคลือ่อนไหวต่างๆของร่างกายค่ะก็มีความรู้สึกดีใจนะเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้พยายามที่จะเจริญสติแต่อยู่ดีๆมันก็มีความรู้สึกขึ้นมาอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะมันเงื่อนมันเไหลไปเองนะในใมันเง่อนเคลื่อนไหวเองนไม่ต้องผลักดันต้องดัน ต่อไปมันมันมันมันจะมุนไปเองต่อไปจะเป็นสติอัตโนมัติตาบอกาปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปสติบ่อยปัญญาจะเป็นอัตโนมัติเราไม่ต้องไปคอยบังคับไปไปสั่นมันอ่ะก็มีมีเท่าหนักแล้วค่ะพยายามทําต่อไปถ้ามันไม่เคลื่อนมันไม่ทําเองเราก็ต้องคอยดันมันอยู่นะบางทีมันก็อาจจะขี้เกี๋ยวนะมันต้องคอยทําต้องคอยบังคับอ ไม่สบายเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูหนูเคยคิดว่าไม่สบายแล้วก็ไม่ต้องทานยานะคะก็แบบตื่นเช้ามาก็ทําสมาธิตกเย็นมาก็ทําสมาธิแต่ทีเนี้ยมันนอนไม่ได้เจ้าค่ะก็เลยตัดสินใจวันถัดมากระทานยาถึงได้นอนแลก็ค่ะก็ไม่เป็นไรถ้าสติปัญญาเรายังไม่แก็หน้าพอเราก็ยังจะสู้กับความเจ็บปวดไม่ได้ก็ต้องกินยาแทนไปก่อนค่ะก็ ก็เลยต้องยอมทานยาค่ะมีเท่านั้นเจ้าค่ะพระอาจาร์กลับขอพระคุณเจ้าค่ะคุณแอมต์อแอมเชียงใหม่แอมแอมอยู่เชียงใหม่สวัสดีครับพระอาจารย์อยู่เชียงใหม่ครับกลับน้องแมสกับครับวันนี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับพอดีช่วงนี้อมีเพื่อนๆนหรือคนใกล้ชิด ตายกันบ่อยมากครับมันก็เลยทําให้เรามีความอาจจะเป็นเราในวันไม่ในวันไหนก็ได้ครับอาจจะเราเลยช่วงนี้มีในกลุ่มหรือเพื่อนๆที่รู้จักใกล้ชิดตายกันหลายคนมากครับสามสี่ห้าคนนะครับที่รู้จักครับเราก็เลยทำให้เราเป็นเครื่อนใจครับเป็นเครื่องเดินใจอาจจะเป็นเราในวัน นี้พวกนี้หรือเมื่อไรก็ได้เราก็เลยพยายามปฏิบัติใี้มากขึ้นครับอาจารย์เตรียมเตรียมตัวปลงและเตรียมตัวตัดความยึดติดในร่างกายให้ได้ครับเราจาได้ไม่ทุกข์ไปนําตายครับอาจารย์ไปแล้อยู่ก็ไม่ทุกข์ครับก็รู้ว่ามันต้องตายใช่ไหมวันใดวันหนึ่ครับพอาจารย์ครับดีพนะยายามฝึกเงินใจไปเรื่อยสันติมานาสติไปเรื่อยครับพอาจารย์ครับ มีเท่านี้ครับอาจารย์โอเคแล้วมีคนอัญญีขคราชใช่ไหมคนอัญญีอ่าปราบธรัมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อ่าก็อยากจะกราบขอบพระคุณค่ะเรื่องเรื่องที่ได้แนะนำในผลของการปฏิบัติธรรมนะคะบางได้นำไปใช้ จริงในในที่ทำงานนะค่ะอย่างวันนี้ก็มีการทดสอบสภาวะธรรมเกิดขึ้นนะคะก็คื อ, เ, อเห็นเห็นความโกรธความอะไรแต่ว่าเราก็มองแล้วก็ระงับดะะงทดค่ะบางครั้งจาเป็นที่จะต้องสอนน้องแบบนี้นะคะแต่เขาไม่แต่เขาไม่เชื่อก็อยุแไปไม่ต้างไปโกรธเขาเชื่ออยู่แต่ก็ต้องแบบ เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็อมองเห็นตัวโกรธแล้วเราก็ระงับได้ก็ขอบขอบพระคุณมากค่ะในในคือพระอาจารย์สอนได้ได้ขาดนะคะบางบางครั้งจากที่ฟังในในซูมนะคะก็ทำให้เราไปฉกคิดได้หลายเรื่องที่ที่เราจะเอาไปแก้ปัญหาในงานแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยระหว่างที่เราอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพระอาจารย์ ทำ ม, มาเป็มามนที่เราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เจ้าค่ะเจ้าค่ะจะน้อมนำไปปฏิบัติต่อนะเจ้าค่ะสาธุเจ้คะสาธุมาที่คุณลาต่อคุณลาเพื่อนมีอะไรไ้ามีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดสิบคำถามค่ะคำถามแรกจากคุณ DF อขอปุจฉาขอรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการเก็งกำไรในหุ้นฟ o เ e ็ก คริปโตจะเรียกผลนั้นว่าเกิดแต่ลักทรัพย์หรือไม่อย่างไรขอรับเกิดเป็นการลักทรัพย์หรือไม่ก็มันไม่มันไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์มันเป็นการซื้อขายสินค้าอย่างหนึ่งนั่นเองไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์แต่อย่างใดเราคนที่เขาเขาทขาเสียเขาก็ยินดีที่จะเสียเขาก็ไปเขาก็ไปลงทุนกัน ลงทุนถูกจังหวะก็ได้ลงทุนผิดจังหวะก็าขาดทุนก็ทางนั้นเองไปซื้อไปซื้อของแพงแล้วไปขายของถูกมันก็มันก็ขาดทุนถ้าไปซื้อของถูกแล้วเวลาขายขายเป็นของแพงมันก็กําไรก็มีทางนั้นเองคำถามต่อไปจากคุณโกโก้ขอโอกาสพระอาจารย์ครับ การทําบุญแบบไหนที่จะทําให้เรามีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมครับขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับอมันคนละทางกันนะทางโลกก็เป็นเรื่องทางโลกทางธรรมก็เป็นเรื่องของทางธรรมบางคนคิดว่าทําบุญแล้วจะเจริญทางโลกด้ยมันไม่ไม่หรอกไม่การทําบุญนี่เจริญทางจิตใจทางธรรมจิตใจมีความสงบจิตใจสูงขึ้นทําบาปจิตใจก็ต่ำลง ในความทุกอันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยววิตใจทางโลกแต่อยากจะรวยก็ต้องใช้กดทางโลกอยากจะรวยก็ต้องพยายาหาเงินประหยัดการใช้เงินนี่มันก็จะรวยได้ถ้าหาหได้มากกว่าใช้ถึงจะรวยถ้าใช้มากกว่าหาได้มันก็เจ๊งมันก็มันก็จนทางโลกกับทางธรรมมันคนละเลือกกัน คำถามต่อไปจากคุณสิริชัยขอโอกาสกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับผมฝึกภาวนามานานจนผ่านอัปปนาสมาธิและวางอัปปนาสมาธิไม่ได้เข้าถึงอัปปนาแต่มีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาปัจจุบันไม่มีทุกข์ใจอีกถ้ามีเวทนาก็รีบวางลงกลับมาพิจารณาลม ท, ทันทีอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ก็แล้วแต่เราว่าเราจะต้องการปฏิบัติไปถึงขั้นไหนถ้าอยากจะไปไกลกว่านี้ก็ต้องก็ต้องอยู่กับเวทนาให้ได้มันจะเจ็บใหให้อยู่กับมันไปอยาอยานี้มันเข้ามาในสมาธิคำถามต่อไปจากคุณเดอมัทายเวอร์ซอลยูนิตี้กราบนมัสการครับขอโอกาสครับในพุทธกิจห้าในยามเช้ามืด ทรงขายพระยานไปกว้างเท่าใดครับกราบขอบพระคุณครับก็แล้วแต่เราไม่ใช่เป็นคนเป็นคนแผนเราจะไม่รู้แลวมันก็นแล้วแต่พระอง้าท่านจะส่งจิตไปที่ไหนก็นแล้วแต่จิตของท่านความสามารถของท่านคำถามจากคุณระเบียบขอแบ่งเป็นสามคำถามค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ เรานั่งสมาธิภาวนาพุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกดีคะได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราจะชอบอย่างไหนก็เลือกเอาได้พุโทโธไปก็ได้จะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้คำถามที่สอง การดูลมเราจะไม่ต้องกำหนดอะไรใช่ไหมคะดูลมเข้ารู้ออกรู้อย่างเดียวจิตกำหนดรู้ที่ปลายจมูกใช่ไหมคะใช่ให้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมคถามที่สามบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้เขาใช้นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่หนูว่าเราควรทำคู่กันทั้งสองอย่างดีกว่าคะ่ะ พระอาจารย์ว่าเราควรทําทั้งสองอย่างดีกว่าไหมคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคือการสวดมนต์ น, นี้ถ้าเรานั่งสมาธิยังดูลมไม่ได้แล้วก็สวดมนต์ไปก่อนเพราะบางทีใจเราคิดมากมันไม่ยอมอยู่กังลมมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ไปสวดมนต์ก่อนจะดีกว่าพอสวดมนต์นมันก็ต้องอยู่กับการสวดมนต์แล้วสร้างความความคิดมันหยุดคิดไม่คิดได้ลมมาให้เราดูลมได้แล้วก็มาดูลม ถ้าเรานั่งดูลมได้เลยเราก็ไม่ต้องไปสวดมันก็ได้เนี่ภาวะของจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานั่งสมาธิได้เลยหรือไม่ถ้านั่งดูลมได้เลยก็ไม่ต้องสวดถ้านั่งดูลมแล้วใจฟุ้งก็กลัว่าสวดก่อนจังหวามันจะหายฟุ้งก็ค่อยมาดูลมต่อคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณภูวัฒนากราบนรมสการพระอาจารย์ค่ะ ขออนุญาตถามคำถามค่ะรู้จักกับพี่คนหนึ่งเป็นตำรวจเพื่อนพี่ชายเมื่อวันอาทิตย์ที่2 0ที่ผ่านมาเขาเสียชีวิตโดนรถชนเนื่องจากเขาเดินข้ามถนนไปช่วยคนที่เกิดประสบอุบัติเหตุแล้วดวงจิตที่ดับไปแล้วเขาจะมีพบภูมิให้เขาไปสู่สุคติหรือเปล่าคะหรือเป็นกรกรมกำหนดคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ ้าอยู่ที่บุญกรรมที่เขาทำนะบุญกับบาปว่าอันไหนมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่ากันก็ต้องไปทุกขติถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสุขติค่ะคำถามต่อไปจากคุณมาวิมุตกราบเรียนถามคะ่ะเวทนาในกายของสัตว์นรกต่างกับเวทนาในกายของมนุษย์อย่างไรเมื่อสัตว์นรกไม่มีกายหยาบจะมีเวทนาได้อย่างไร ก็ไม่มีเนี่ยก็มีแต่เพลงแต่เวทนาทางใจนั่นเองคำถามสุดท้ายจากคุณนาวานาวีพระอาจารย์คะที่ว่าดูความกล้าหาญให้ดูตอนมีภัยดูปัญญาจากการสนทนาดูศีร น, นิสัยใจคอให้ลองอยู่ด้วยกันส่วนความเชื่อที่ว่าดูวันเกิดกับราศีเกิดจะพอบอกอุปนิสัยคนคร่าวๆได้ อย่างเช่นเกิดวันอาทิตย์เป็นคนใจร้อนแบบนี้คือเหลวไหลใช่ไหมคะเพราะถ้ามองตามเหตุปัจจัยจิตเคยระกิเลสตัวไหนได้เช่นโทสะละได้บางเบาแล้วถึงแม้นจะมาเกิดเป็นวันอาทิตย์อุปนิสัยเขาก็จะเป็นคนไม่โกรธง่ายหนูเข้าใจถูกต้องแล้วหรือคาดเคลื่อนไปอย่างไรพระอาจารย์คะถูกต้องแล้วนะมันไม่ได้อยู่ที่วันเกิดคนระับมันอยู่ที่ จิตของเว่าเราได้กําจัดความโลภกวนลงลงไปมากน้อยเท่าไหร่นั่นเองที่จะเป็นตัวทําให้เราเป็นอะไรต่างๆที่ต่างกันมาเนี่ยที่พวกเราต่างกันก็ต่างกันตรงที่กิเลนกิเลนโลภกวนลงมันมากน้อยไม่เท่ากันอะไรมีความต่างกันบางคนใจร้อนบางคนใจเย็นนคนใจเย็นแสดงว่าไม่อยู่เปคาร์มากคนใจร้อนนี่มีปัญหามากความอยากมาก หมดแล้วใช่ไหมสำคัญหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้ววันนี้ก็เอาให้นี้ก่อนนะพอสมควรแก่เวลาเพราะมันก็ใกล้จะห้นะาทุมแล้วไว้มันพุทธหน้าอ่อยใจกันใหม่ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรไม่มีเหตุ ก, การณ์ขัดข้องสําหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิรันดร์ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ